มาจากไหนกั น, น อ, อัสสยองเคยมาหรป่า ว, วันนี้ไม่ต้องทำงานน ะ, เ, นะเข้ากะดึกทำโรงงานเลยวะทำด้วยกันทั้งหมดเลยว่า ยัไงไมาแล้วได้ประโยชน์อะไรบ้างไหมได้ครับไนปฏิบัติท้ธรรอแล้วรู้สึกยังไงบ้างจากการปฏิบัติออกชีวิตดีเลนครับดีในทางไหนทางทางเงินทองหรือว่าทางจิตใจทอำนาจจิตใจมากกว่าเงินทองถึงจะมีะ็นเงก็ก็ไม่เป็นปนัญหาอะไร เพราะว่าธรรมะของพระเจ้านีสอนเกี่ยวกับเรื่องจิตใจไม่ได้สอนเกี่ยวกับเรื่องเงินทองสอนบ้างเรื่องเงินทองแต่ไม่ได้เป็นปัจจัยสำคัญเป็นปัจจัยสำหรับทางร่างกายเงินทองก็ต้องมีไว้ซื้อข้าวซื้ออาหารเสื้ออะไรแต่ความทุกข์ความสุขใจทุกใจไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินทอง ขึ้นอยู่กับการควบคุมกิเลสกิเลสออกเล่เมื่อไหรก็ทุกเมือนันถ้าธรรมะคุมกิเลสได้เเข้ามาเลยอยากจะถวายของเข้ามาเลยความสุขความทุกข์ใจของวกเราอยู่ที่กิเลสหรืออยู่ที่ธรรมถ้ามีธรรมใจก็สุข ถามีกิเลใจก็ทุกข์ไม่ได้อยู่ที่ว่ามีเงินมากน้อยเงินมากน้อยนี่จะทุกข์ที่ร่างกายหรือสุขที่ร่างกายถ้าเงินน้อยอาหารไม่พอกินร่างกายก็ทุกข์ได้แต่ถ้าถ้าเงินพอร่างกายก็สุข ร่างกายทุกใจยังสุขได้อย่างพระนี่อยู่ทุกทางร่างกายอยู่แบบอดอยากขาดแคลนก็ไม่ถึงก็อดอยากแต่ถ้ามองในสายตาของญาโยมก็เปรียบเทียบกันก็เหมือนอดอยากกินวันละมืออย่างนี้มันก็อดละอดสองมือญาโยมกินวันละสามมือ แต่ใจของพระกับศสุ ข, สขาใจของญาติโยมเพราะใจของพระคอยคุมความโลภแต่ใจของญาติโยมนี้ทุกกว่าพระเพราะว่าไม่คุมความโลภความโกรธกันแต่ร่างกายของญาติโยมอยู่สบายกว่าของพระอาหารการกิน กินกี่เวลาก็ได้ที่อยู่อาศัยก็เป็นเป็นส่วนประกอบที่สมบูรณ์มีเครื่องอำนวยความสุขทุกอย่างในบ้านพระพระพุทธเจ้าสอนให้พระอยู่ตามโคนไม้อยู่ตามถ้ำตามเงื่อมผาตามเรือนร้าง หรือกระต๊อบเล็กๆดูพระปฏิบัติที่อยู่ของพระปฏิบัติจะเป็นกระต๊อบกันส่วนใหญ่งแฝงงญ้ย่กุเตที่วัดป่ามันตาดยุบเบิกๆนี่จะเป็นหลังคางูแย่แล้วฝาก็เอากระดาษาถุงปูนซีเมนเนี่ยมาทำเป็นฝานันอยู่แบบง่ายๆ ทางร่างกายก็พอถูถพอเป็นพอไปได้ก็พอคือไม่ให้มันตายพูดง่ายๆพออยู่พอกินพอหลบแดดหลบฝนได้แล้วมันจะทำให้ใจสบายกว่าพอมันมันไม่วุ่นวายกับเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องอาหารการกินใจพวกเราอยู่อย่าง รุนหวายกับเรื่องอาหารการกินเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องเครื่องใช้ไม้สอยอะไรต่างๆได้มามากน้อยก็ไม่พอความไม่พอก็คือความโลภโลแล้วก็ใจก็จะอยู่ไม่เป็นสุขใจก็จะดิ้นหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาเพิ่มอยู่เรื่อยๆ หามาได้มากน้อยก็ไม่อิ่มไม่พอเพราะความอิ่มความพอไม่ได้เกิดจากการทําตามความโลภความอิ่มความพอได้เกิดจากการไม่ทําตามความโลภหยุดความโลภหยุดความอยากภาลาใจหยุดความโลภความอยากได้ความอิ่มใจสุขใจก็เกิดขึ้นมา วิธีที่พระเจ้าสอนให้เรามาทำความสุขใจอิ่มใจแทนที่เราจะเอาเงินทองไปซื้อของตามความโลภตามความอยากเอาเงินทองไปทำบุญแทนเอาไปทำทานเพราะความรู้สึกจะต่างกันเวลาซื้อของได้ตามความโลภ ก, ก็ดีใจเดียวเดียวแล้วก็ ความอยากความโลภใหม่ก็เกิดขึ้นใหม่การเอาไปทำบุญทำทานทำให้ความโลภความอยากนั้นน้อยลงไปเบาลงไปทำให้รู้สึกอิ่มใจสุขใจขึ้นมาเวลาได้ทำบุญนี่คือเหตุผลของการทำบุญให้เรา ใช้เงินไปในทางที่จะทําให้ความโลภน้อยลงไปแล้วความอิ่มใจความสุขใจจะมีเพิ่มขึ้นมาถ้าเราเอาเงินไปซื้อตามความโลภเราดีใจเดี๋ยวๆซื้อผ้าซื้อเสื้อผ้ามาชุดหนึ่งดีใจสองสามวันเดี๋ยวเห็นเสื้อเสืผ้าชุดใหม่ก็อยากจะซื้อขึ้นมาอีทั้งๆ้ ท, งที่ไม่มีความจําเป็นจะต้องซื้อ เสื้อผ้ามีเต็มตู้แต่ถ้าเอาเงินที่จะซื้อเสื้อผ้านี้ไปทําบุญความอยากซื้อเสื้อผ้าทั้งต่อไปมันก็จะน้อยลงไปแล้วเงินที่เอาไปทําบุญก็ทําให้เราอิ่มใจสุขใจนี่คือวิธีสร้างความสุขทางใจ ที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเราทำกันการใช้เงินทองนี้ใช้กับสิ่งที่จำเป็นได้อยู่แต่ควรจะใช้แบบมากน้อยสันโดษคืออย่าไปใช้ด้วยความฟุ่มเฟือยช่วยใช้แบบสุรู้สุรายใช้กับความหรู้รา ดูการใช้งานเป็นหลักเวลาจะซื้อของอย่าไปดูความหรูหราดูความสวยงาม mm hmm. เช่นจะซื้อเสื้อผ้าก็มีไว้สวมใส่ปกป้องร่างกาย mm hmm. เสื้อผ้าชุดละร้อยที่ตลาดนัดกับเสื้อผ้าชุดละพันที่ศูนย์การค้ามันก็เสื้อผ้าเหมือนกันใส่แล้วมันก็ทำหน้าที่เหมือนกัน คือมันทําให้ร่างกายปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บจากอากาศหนาวเย็นอะไรเป็นต้นนี่คือเสื้อผ้าเสียร้อยหนึ่งเสียพันหนึ่งมันก็เสื้อผ้าเหมือนกันได้ผลได้ประโยชน์เท่ากันแต่ทางจิตใจอาจจะรู้สึกว่าเสียซื้อเสื้อผ้ามาพันอย่งนี้ดีกว่าเสื้อผ้าร้อยหนึ่ง ก็มีชื่อมียี่ห้อติดอยู่ว่าทามาจากต่างประเทศคามจริงต่างประเทศก็มาจ้างคนไทยทำแล้วก็ส่งไปขายที่ต่างประเทศต่างประเทศก็ส่งกลับมาขายที่เมืองไทยถ้าจะใช้เงินต้องใช้แบบนี้ใช้ด้วยเหตุด้วยผลใช้ด้วยดูการใช้งานเป็นหลัก จะซื้อรถยนต์เนี่ยจะซื้อกัรละล้านก็ได้สิบล้านก็ได้มันก็รถสี่ล้อเหมือนกันพาให้เราวิ่งจากจุดนี้ไปจุดนั้นได้เหมือนกันทำไมเราจะต้องเสียเงินสิบล้านเมื่อเราสามารถาซื้อดดาารถราคาล้านหนึ่งที่ทำหน้าที่ได้เหมือนกัน อันนี้เป็นการใช้เหตุผลเพื่อตัดความโลภเพราะความโลภมันจะทำให้เราวุ่นวายไม่ใช่ไม่ใช่สุขทำให้เราวุ่นวายต้องหาเงินมามากๆเราก็เสี่ยงต่อการไปทำบาปเพราะเวลาอยากจะหาเงินได้มากๆเร็วๆง่ายๆก็มักจะทำบาป ก, กัน ชอ่อโกงไม่ซื่อสัตว์หลอกลวงทำบาปแล้วก็มีผลกระทบทางใจทำให้ใจทุกข์มากขึ้นไม่ใช่สุขมากขึ้นจากการทำบาปสุขที่ได้จากการซื้อลดราคาสิบล้านนี้สุขเดียวเดียวสุขตอนที่จ่ายเงิน ได้เงินเข้าไปได้รถมาโอดีใจแล้วหลังจากนั้นมันก็หมดไปนั่งรถหนึ่ง ล, ล้านนั่งรถสิบล้านมันก็ไปที่เดียวกันได้ไปจุดหมายปลายทางเดียวกันนี่คือการใช้เงินใช้ทองเพื่อไม่ให้เกิดโทษกับจิตใจเพื่อให้เกิดประโยชน์กับจิตใจ ถ้าเอาเงิน10ล้านนีมาซื้อลรถล้านหนึ่งก็เหลือ9ล้าน9ล้านนี้อาจจะไปสร้างอะไรเป็นประโยชน์กับผู้อื่นโรงพยาบาลไม่มีที่รักษาไปช่วยสร้างอาคารโรงพยาบาลกันเมื่อไ ม, ม่กี่ปีมาเร้สึก10กว่าปีหรือยีปีบีชายคนหนึ่งเขาเบริจาค10ล้านไอ้อยล้าน สร้งโรงพยาบาลสิบโรงตามต่างจังหวัดนะใช้ชื่อของหลวงปู่มัน่นโรงพยาบาลโพลิทัตโต mm hmm. เขาบอกว่าเขาพอกินแล้วเขาพออยู่แล้วเงินนี้ก็ไม่รู้ใจเก็บไว้ทำไมเอาไปทำบุญแล้วเขามีความสุขใจ ความโลภ ไ, ไม่มมีความอยากได้เงินเยอะๆไม่มีนี่คือเรื่องที่เกี่ยวกับจิตใจของพวกเรากับร่างกายของพวกเราคือเงินทองเราต้องมีเงินทองแต่เราต้องมีด้วยเหตุด้วยผล ใช้ด้วยเหตุด้วยผลมีไว้ดูแลรักษาร่างกายของเราให้อยู่อย่างไม่เดือดร้อนมีกินมีใช้มีอยู่พอแล้วแล้วไม่ต้องเป็นของราคาแพงๆอาหารที่เรากินเนี่ยมีหลายราคาแต่ของที่เขาไปซื้อมาทำอาหารก็มาจากตลาดอันเดียวกันนะ่ะ โรงแรมก็ไปซื้อที่ตลาดแม่ค้าขายส้มตาข้างถนนก็ไปซื้อที่ตลาดพอมาขายแล้วราคาต่างกันส้มตาแม่ค้าอยู่ข้างถนนนีราคาห้าสิบบาทส้มคาในโรงแรมมีราคาสองก็ส้มตาเหมือนกันกินก็ไปในท้องก็อิ่มเหมือนกันนี่คือสิ่งที่เรา ควรจะคิดเพื่อที่เราจะได้ไม่ถูกความหลงหลอกให้เราไปหาเงินมาให้เหนื่อยยากซื้อของที่เหมือนกันแต่กลับต้องเสียเงินมากกว่าใช้ประโยชน์ได้เท่ากันซื้อรถสิบล้านกับรถล้านหนึ่งก็ไปไหนมาไหนได้เหมือนกันเอาเงิน9้าล้านไปทำบุญดีกว่า จะมีความสุขใจไม่เชื่อลองทำดูลองให้แบบสะเทือนใจดูมันถึงจะสุขใจให้แบบนิดๆหน่อยๆมันไม่ค่อยรู้สึกสะเทือนใจลองให้แบบของเรารักเราห่วงมากๆให้ไปดูแล้วมันจะรู้สึกสุขใจมากพอใจมากอิ่มใจเพราะมันจะตัดความโลภความยึดติด ความหวงความหวงนี้ทำให้เราทุกข์กันรักอะไรเราก็หวงแล้วก็หวงกลัวมันจะจากเราไปแล้วในที่สุดมันก็จากเราไปอยู่ดีหรือไม่เช่นนั้นเราก็ต้องจากมันไปเพราะของทุกอย่างมันไม่เที่ยงทั้งเขาและเราทั้งของทั้งร่างกายของเราวันหนึ่งก็ต้องจากอันไป ความสุขที่เราได้จากข้าวของเงินทองนี้เป็นความสุขเดียววแล้วความทุกข์ที่ต้องมาหวงมาห่วงข้าวของเงินทองนี้มันมีอยู่ตลอดเวลามีไปจนถึงวาระที่จากกันเลยเห็นข้าวของเงินทองในที่ไม่มีความจำเป็นต้องเก็บเอาไว้อยู่แบบไม่มีนิสนจะสบาย นี่คือความจริงที่พระเจ้าทรงตัดสรู้แต่พวกเราไม่รู้กันเรากลับไปลักไปหวงข้าวของเงินทองต่างๆแล้วก็มาทุกข์กับข้าวของเงินทองที่เรารักเราหวงเนี่ยพอไม่ช้ก็เร็วก็ต้องมีพรดภาคจากกันอระเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเรามา เสียสละกันมาแบ่งปันกัน อ, อย่าเอาของต่างๆเก็บไว้หนักอกหนักใจมีอะไรมันต้องให้เราหนักอกหนักใจเสมอของที่เรารักนี่แหละเป็นตัวที่ทำให้เราทุกข์กันของที่เราไม่รักไม่ค่อยทุกข์กันหรอเห็นไมขยคขยะนี่เราไม่ทุกข์กับมนะันใครจะมาขโมยขยะไปเมื่อไหร่นี้เรา ยินดีเสมอเอาไปเลยของไหนที่เรารักนี่ไม่อยากจะให้ใครมาแตะเลยนั่พยามองทุกอย่างที่เราไม่จำเป็นต้องใช้ว่าเป็นขยะจะดีกว่ากําจัดมันไปกาจัดขยะมันเป็นขยะของจิตใจมันทำให้จิตใจเราไม่สบายอยู่กับขยะนี่มันไม่สบาย อยู่กับความว่างดีกว่าสบายเนี่ยความไม่มีอะไรนี่แหละเป็นความสุขอย่างยิ่งที่พระเจ้าบอกนิบานังปลัมังสุขขังนิบานังปลังมังสุญญ์ความไม่มีอะไรนี่เป็นความสุขอย่างยิ่งเพราะไม่มีอะไรเจะาต้องรักต้องห่วงต้องห่วงต้องกังวลต้องวิตกต้องร้องห่่ร้องไห้เศร้าโศกเสียใจ ทุกวันนี้ที่เราวิตกกังวลกันที่เราลากเราหวงเราห่วงกันที่เราเศร้าโศกเสียใจกันก็เพราะอะไรก็ข้าวของเงินทองต่างๆที่เรามีอยู่นี่แหละบุคคลต่างๆมีอะไรก็ต้องทุกข์กับสิ่งเหล่านั้นเพราะความรักก็อยากจะให้เขาไม่จากเราไปอยากจะให้เขาเหมือนเดิมดีเหมือนเดิมใหม่เหมือนเดิม ไม่อยากให้เขาเก่าไม่อยากให้เขาแก่ไม่อยากให้เขาตายการไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ไม่มีวันเสือ่อมทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องเสื่อมไปตามการตามเวลาฉะนั้นอย่าไปมีอะไรถ้ามีก็อย่าไปยึดไปติดปล่อยมันไว้เฉยๆถือว่ามันไม่เป็นของเรา เผื่อเวลาจํต้องการจะใช้อะไรยังใช้ได้ก็ใช้ไปอันนี้ไม่รู้ว่าจะเอาไปให้ใครเอาไปใช้ไหนก็วางไว้เฉยๆก่อนก็ได้เผื่อพรุ่งนี้หรือเมื่อนี้มีความจำเป็นจะต้องใช้อะไรก็จะใช้มันได้แต่อย่าไปถือว่าเป็นของเราอย่าไปรักมันอย่าไปหวงมันมันจะอยู่มันจะไปเรื่องของมันพร้อมให้มันไปเสมอ ถ้าจะมีอะไรก็ต้องคิดอย่างนี้พร้อมให้มันไปเสมอก็จะไม่ทุกข์นี่คือความสุขความทุกข์ทางใจที่พวกเราจะไม่รู้กันถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาไม่ได้มาฟังเทศฟังธรรม เราจะได้ยินได้ฟังเรื่องที่เราไม่เคยรู้มาก่อนไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนนะของใกล้ตัวเราแทๆนะ้ๆแต่เรากลับไม่รู้ว่ามันเป็นของที่ทำให้เราทุกข์กันวุ่นวายกันก็คนะือข้าวของเงินทองต่างๆที่ไม่จำเป็นแมนะ้แต่ของจาเป็นก็เหมือนกันของจำเป็นคือของที่มาใช้ดูแล รักษาร่างกายของเราถึงแม้มันจะจำเป็นถ้ามันทำให้เราทุก์ก็เราก็อย่าไปมีมันดีกว่าเช่นร่างกายนี้ถ้ามันทำให้เราทุก์ก็อย่าไปมีมันดีกว่ามันจะตายก็ให้มันตายไปอย่าไปห่วงมันอย่าไปห่วงมันพอไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องตายเหมือนกัน การไม่มีร่างกายนี้ดีกว่าตายแล้วก็อยากลับมาเกิดใหม่ดีกว่ากลับมาเกิดใหม่มีร่างกายใหม่ก็มาทุกข์กับมันใหม่เพราะร่างกายเราก็รักล้วก็หวงมันเหมือนกันฉะนั้นอย่าไปมีอะไรเลยเก้าของเงินทองก็ไม่ต้องมีร่างกายก็ไม่ต้องมี พระพุทธเจ้าพระอรหันต์เนี่ยตอนนี้ท่านอยู่แบบนี้อยู่แบบไม่มีข้าวของเงินทองอยู่แบบไม่มีร่างกายแล้วท่านก็ปรมังสุขขังเพราะท่านอยู่กับปรมังสุญยังอยู่กับความอ้างวาง้างเปล่าเปลี่ยวไม่มีอะไรใจว่างไม่มีอะไรต้องมากังวลไม่มีอะไรต้องมาห่วงไม่ในไม่มีอะไรต้องมาห่วง นี่คือความสุขที่แท้จริงความสุขของใจอยู่ที่การไม่มีอะไรมาเป็นภาระกดดันจิตใจพอมีอะไรแล้วเหมือนแบกภูเขามีร่างกายก็เหมือนแบกภูเขาหนึ่งลูกพอมีร่างกายของเราแล้วก็ไปมีร่างกายของคนอื่นมาแบกต่ออีกร่างกายของสามีของภรรยา แล้วก็เอาร่างกายของลูกมาแบกเพิ่มอีกหนึ่งภูเขาสองภูเขาแล้วลูกเดี๋ยวหลานออกมาก็เป็นภูเขาที่สามอีกแล้วพ่อกับแม่ก็เป็นภูเขาที่สี่ภูเขาที่ห้าเราทุกกับคนเหล่านี้ไหมเรากังวลกับเขาไหมเราห่วงเขาไหมนั่นแหละความห่วงก็คือความทุกข์ดีนี่เอง ดลนั้นเรามาหัดอยู่กันแบบไม่มีด้วยความมักน้อยสันโดษตอนนี้เรายังทิ้งทุกอย่างไม่ได้ก็เอามันน้อยๆก็แล้วกันซื้อรถก็ซื้อราคาถูกๆถูกๆแต่ใช้ประโยชน์ได้ไม่ใช่ถูกแบบซื้อมาแล้วสามวันดีสี่วันไข้ซื้อรถที่วิ่งได้ไม่มีปัญหา ไม่ใช่ซื้อถูกจกนกระทั่งวิ่งไปไหนมาไหนไม่ได้วิ่งได้สองวันอ้าวซ่อมอีกแล้ววิ่งได้สองวันเข้าอู่อีกแล้วไอ้อยางนั้นมันประหยัดเกินไป อ, อ, อันนั้นประหยัดแบบตะหนีอย่าไปประหยัดแบบตะหนีประหยัดแบบเหตุผล เ, เมื่อมีรถใหม่สองคันคันหนึน่งราค า, าคล้านคันหนึ่งสิบล้าน วิ่งไปไหนมาไหนได้เหมือนกันทำอะไรได้เหมือนกันบอกทำไมไปเสียสิบล้านให้โง่าทาไมเสียล้านเดียวไม่ดีกว่ามันก็วิ่งได้เหมือนกันไปไหนมาไหนได้เหมือนกันความปลอดภัยไม่ได้อยู่ที่รถ อ, อยู่ที่คนขับเวลาคนซื้อรถใหม่จะมาให้เราเจอมเราอย่าเจอมันรถเจอมคนคนรถมันไม่รู้เรื่องรู้ราวหรอกรถเป็นตามตามคนขับ ถ้าคนขับเมามันก็ชนในชะ่ไมาไม่อยากให้ชนก็อย่าเมาอย่าเมาแล้วขับต้องเจิมคนเจิมด้วยสติให้คนขับมีสติมีความระมัดระวังไม่ประมาทไม่รีบร้อนความโลภทําให้คนรีบร้อนอยากจะไปไหนเร็วๆอยากจะได้อะไรเร็วๆต้องรีบไปกัน อย่างสองวันก่อนไปเบนธบาศก็เกือบจะไปชนกับไอ้คนเมาหรือหลับก็ไม่รู้อะมันขับมาเข้ามาทางทางของเราพอดีดีโชคดีมันได้สติซะก่อนมันเดึนรถกลับเข้าไาเหลือนิดเดียวเลยไม่กี่เมตร ก, ก็ชนกันละมันหักหลบวูบไปเลยตอนเช้าบางคนไปเที่ยวกลับมาเดือเดินะไปเมากลับมาขับรถกลับบ้านแต่เช้ามืดเนี่ บางทีเม า, าหรือหลับในก็นไม่รู้วิ่งมาในเลนของคนอื่นกน็พอดีมันดึงกลับไปได้ก่อนงั้นก็ชนกันละแต่เราไม่กลัวรถเราใหญ่หรือว่ารถบัสก็รถเก่งเอ๊ะทไมไปถึงเรื่องรถเรื่องเจอมรถได้ไมา เ, เรื่องซื้อรถ คือรแล้วไม่ต้องเตมเติมคนขับนะแทนเม่วงนอนก็อยากขับถ้าหลับนายแล้วมันอย่างเงี้ยมันไม่รู้สึกตัวถ้าง่วงก็จอดข้างทางนอนทักพักก่อนหรือถ้ามีคนอื่นขับได้ก็ให้เขาขับไปแล้วก็อย่าขับเร็วรถปบมินดบานนี่เราสั่งคนขับว่าห้ามเกินห้าสิบไปห้าสิบก็พอ ห้าสิบแล้วไม่ค่อยจะมีปัญหาหรอกเคยได้ยินข่าวว่าที่ประเทศอินเดียนี่ไม่ค่อยมีอุบัติเหตุทางรถยนต์กันเพราะเขาขับขับเกินห้าสิบไม่ได้ถนนเขาไม่ดีเขาไปแค่ห้าสิบกิโลเไม่ค่อยมีอุบัติเหตุยิงสร้างรถให้มันวิ่งเร็วขึ้นทําถนนให้มันวิ่งเร็วขึ้นนั่นแหละกําลังท้าทายต่ออุบัติเหตุมากขึ้น เอาเงินไปซื้ออันภัยอันตรายโดยไม่รู้สึกตัวรถราคารแพงๆนี้วิ่งได้เร็ววิ่งในสองสามร้อยกิโลเวลาวิ่งมันเร็วได้แต่เวลามันจอดกระ t h a นห a n มันจอดไม่ได้หยุดไม่ได้นี่คือเรื่องของการใช้เงินเรื่องของการหาเงินที่จะทําให้เราสุขรู้ทุกข์กันถ้าเรายัางต้องหาเงิน ยังต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็หาแบบมากน้อยสันโดษ น, นะหาแบบพระเนี่ยพระก็ต้องหาข้าวกินเช้าก็บินทบาท เ, เอาบาทไปใบหนึ่งแล้วแต่ญาติโยมจะใส่อะไรมาก็รับๆไว้เสร็จแล้วก็กลับไปที่วัดก็ฉันตามมีตามเกิดฉันไม่เป็นอิ่งเพาะก็พอละหมดละปัญหาเรื่องกินสำหรับพระ กินเมื่อเดียวก็พอแล้วร่างกายอยู่ได้ไม่ตายอยู่ถึงพรุ่งนี้ได้สบายเนี่ยตั้งแต่เมื่อเช้านี้ที่ฉันเสรศ็จมนันยังไม่ได้แตะอะไรนอกจากน้ำดื่มอย่างเดียวก็ไม่เห็นเดือดร้อนอะไรอยู่ได้สบายไม่ต้องมีข น, นมนมเนยมาคอยขอบเคี้ยวอยู่เรื่อยๆยังคนกินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวระหว่างมื้อก็ต้องข น, นมนมเนยเคือหนุ่เนมเครื่องดื่มอะไรไป อยู่เรื่อยๆมันร่างการนี้แทบจะไม่มีเวลาหยุดพักผ่อนเรื่องกินเลยก็อยุดตอนนอนเท่านั้นแหละบ <c oughs> ันทีตอนตื่นนอนขึ้นมาดึกๆก็ยังเปิดตู้เย็นหาอะไรากินต่อย <c oughs> ถ้ากินแบบนี้เป็นการสร้างความทุกข์ให้กับใจกะกินแล้วมันกุดเวลาไม่ได้กินมันจะทุกข์ แล้วกินมากๆก็ทุกข์กับร่างกายทำให้ร่างกายามีน้ําหนักเกินมีโรคภัยไข้เจ็บเดือดเบียนฉันใช้หลักมากน้อยสันโดษ้วชีวิต จ, จะมีความสุขมีความสบายน้อยๆเอาน้อยๆเอาเท่ า, ๆๆ า, ๆๆาๆๆที่จำเป็นอย่างพระนี่กิกนเมื่อเดียว อันโดยก็ถึงแม้ว่าต้องมีเท่านี้แต่ได้น้อยกว่าที่ที่ต้องการก็ไม่เป็นไรนะออยินดีตามมีตามเกิดนะนะเช่นวันนี้ไปบินตบาตไม่มีใครสายบาทเลยวันนี้ต้องอดข้าวสักวันหนึ่งกนะ็อดก็อดนะี่เรียกว่ายินดีตามมีตามเกิดมักน้อยก็วันละมือ้อยินดีตามมีตามเกิดก็บางวันอาจจะหาข้าวกินไม่ได้เลยไม่มีข้าวกิน ไม่มีก็อดเันสักวันหนึง่งร่างกาย ม, มันมีอาหารสะสมไว้อยู่ได้หลายวันพระพุทธเจ้าเคยอดถึงสี่สิบเก้าวันฉะนั้นอดวันเดียวไม่ตายไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลแล้วใจจะสบายไม่ต้องดิ้นหล่นมากถ้ามากมากก็ต้องดิ้นหล่นมากต้องหามาก หน่วยแล้วก็ไปเสี่ยงต่อการแข่งขันต่อสู้กับผู้อื่นอีกไปแข่งขันกันเดี๋ยวก็ไปมีเรื่องมีราวกันแล้วก็เสี่ยงต่อการทำบาปอยากได้มากๆก็ต้องโกงหน่อยต้องช่อโกงต้องอหลอกลวง แล้วทำบาปแล้วมันไม่ได้ทำให้ใจเราสุขมันทำให้ใจเราทุกข์ทำให้ใจเราไม่สบาย <c oughs> ถ้ามากน้อยสันโดษได้แล้วจะอยู่อย่างสบาย <c oughs> อยู่ไปเพื่อตายเท่านั้นแหละร่างกายนี้มันอยู่เพื่ออะไรมันยก็อยู่เพื่อตายมันไม่มีหน้าที่อะไรหรอกร่างกายนี้ ม, นมันเป็นเครื่องมือของกิเลสมากกว่าเป็นเครื่องมือของธรรม เป็นเครื่องมือสร้างความทุกข์ให้กับใจมากกว่าเป็นเครื่องมือสร้างความสุขให้กับใจเนี่ยเราใช้ร่างกายทำตามความโลภต่างๆอยากเที่ยวนี่ก็เป็นความโลภอยากกินอยากดื่มอยากดูอยากฟังนี่ก็เป็นความโลภแล้วพอโลภแล้วไม่ได้ก็ทุกข์ละคนอยากดื่มสุราไม่มีสุราดื่มก็ทุกข์ละ อยากสูบบุหรี่บุหรีหมดก็ทุกข์ละใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือของกิเลสเห็นเลี้ยงมันไปทำไมให้มันตายไปไม่ดีกว่ากิเลสมันจะได้ไม่มีเครื่องมือเมืม่อไม่มีกิเลสไม่มีเครื่องมือมันก็จะได้ไม่มาสร้างความทุกข์ให้กับเราพระพุทธเจ้าพระอาหาัน์ท่านยังไม่มีร่างกายกันอยางเลยไม่ต้องมีร่างกายสบายกว่า กิเลสไม่มีเครื่องมือเพวกเราใช้ร่างกายนี้เป็นเครื่องมือของกิเลสกันถ้าใช้ทาแล้วไม่ต้องใช้ร่างกายร่างกายนี้หยุดใชเ้เวลานั่งสมาธินี่เราหยุดใช้ร่างกายนั่งเฉยๆไม่ดูไม่ฟังไม่ไม่กินไม่ดื่มไม่อะไรทั้งนั้น นั่งเฉยๆถ้าเป็นรถก็เหมือนจอดทิ้งไว้เฉยๆคนขับนอนสบายคนขับไม่ต้องมาคอยควบคุมดูแลรักษาไม่เหมือนเวลาวิ่งรถวิ่งนี่ต้องคอยควบคุมรถไม่งั้นเดี๋ยวมันชนกับคันคันอื่นได้ถ้าเรามาสร้างธรรมมากกันเราก็ไม่ต้องใช้ร่างกาย แล้วเมื่อเราไม่ต้องใช้ร่างกายเราก็ไม่ต้องมีความกังวลกับร่างกายร่างกายจะอยู่ร่างกายจะไปก็ไม่เป็นปัญหาอะไรแล้วเมื่อร่างกายอันนี้หมดสภาพไปก็ไม่หาร่างกายอันใหม่ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่เมื่อไม่เกิดก็ไม่ต้องมีร่างกายไม่ต้องมีงานการที่ต้องทำ ตอนนี้ต้องทำงานทำกายกันทุกคนทำเพื่อที่จะได้มาเลี้ยงร่างกายเมื่อเลี้ยงร่างกายให้อยู่ได้เพื่อให้เอาร่างกายไปรับใช้กิเลสเพื่อมาสร้างความทุกข์ให้กับใจเองทำทั้งหมดนี้เพื่อมาสร้างความทุกข์ให้กับใ จ, ท, ท, ใ ท, ใบใจท่านถึงบอกว่าทุกย่อมมีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้นถ้าเกิดแล้วก็ ก็ต้องมีความทุกข์เพราะว่าจะเอาน่ากายนี้มาใช้ตามความโลภความอยากต่างๆเราก็สร้างความทุกข์จากการทำตามความโลภตามความอยากได้อะไรมาก็จะรักจะหวงจะห่ว ง, วงแล้วเวลาเสียไปก็เสียอกเสียใจเป็นเรื่องของความทุกข์ทั้งนั้น ทุกตั้งแต่เริ่มโลภเลยพอเริ่มอยากได้อะไรนี้ก็อยู่ไม่เป็นสุขแ่้ต้องไปหาสิ่งที่อยากได้แล้วเวลาหาก็เหนื่อยแล้วต้องหาเงินหาทองมาซื้อสิ่งที่อยากได้แล้วพอได้มาแล้วก็ต้องมาหวงมาห่วงมาดูแลรักษาแล้วเดี๋ยวเวลามันจากไปก็เสียอกเสียใจ การที่ใจเราเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าใจเราไม่มีความอิ่มความพอการจะทําให้ใจเราไม่โลภไม่ไม่หิวนี่เราต้องหยุดมันหยุดความคิดทําใจให้สงบนั่งสมาธิกันนี้ก็เพื่อทําให้ใจอิ่มทําให้ใจสงบทาให้ใจมีความสุข ทำบุญก็ทำให้ใจอิ่มทำให้ใจมีความสุขเหมือนกันรักษาศีลก็เหมือนกันแต่มันได้มากน้อยต่างกันทำบุญทาทานก็ได้ความสงบในระดับต่ำถ้ามากกว่านั้นก็รักษาศีลระดับกลางถ้าระดับสูงก็ต้องนั่งสมาธิทำใจให้สงบถ้าสงบ ถ้านั่งสมาธินี่มันจะอิ่มเต็มร้อยถ้ารักษาศีลก็อิ่มห้าสิบถ้าทําทานก็อิ่มแค่ยี่สิบความอิ่มความสุขความพอมันไม่เท่ากันแต่ก็ต้องทําจากน้อยไปหามากยังนั่งสมาธิไม่ได้ยังรักษาศีลไม่ได้ก็ทําบุญไปก่อน อย่างน้อยก็ยังทําให้มีความอิ่มใจสุขใจเวลาที่เราได้ทําบุญต่อไปทําบุญบ่อยๆแล้วก็จะมีกําลังที่จะไปรักษาศีลได้เห็นว่าทําบุญแล้วมีความสุขใจรักษาศีลจะมีความสุขมากขึ้นอง ก, ก็พยายามรักษาศีลกันพอรักษาศีลได้ก็จะมีกําลังมานั่งสมาธิได้ มาทำใจให้สงบใจสงบแล้วก็จะได้ความอิ่มความสุขเต็มที่เต็มร้อยเลยแต่ยังเป็นร้อยชั่วคราวร้อยในขณะที่สงบร้อยในขณะที่อยู่ในสมาธิพอออกจากสมาธิมาความอิ่มความสุขนั้นก็ค่อยจางไปเพราะความอยากความหิวความโลภความอะไรมันจะโผล่ขึ้นมา ถ้าอยากจะให้มันสงบต่อไปให้มันอิ่มต่อไปก็ต้องใช้ปัญญาของพระพุทธเจ้าที่สอนว่าอย่าไปทำตามความโลภการทำตามความโลภนำไปสู่ความทุกข์ไม่ใช่นำไปสู่ความสุขเพราะสิ่งที่ได้มาจะทำให้เราต้องหวงต้องห่วงต้องวิตกต้องกังวลต้องเสียอกเสียใจเพราะไม่ช้าก็เร็วเขาก็ต้องจากเราไป เขาไม่ได้เป็นของเรานี่คือปัญญาของพระพุทธเจ้าเราพวกเรานี้ไม่มีวันที่จะเห็นความจริงอันนี้ได้ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาบอกเราว่าความโลภของพวกเราความอยากของพวกเรานี้พาเราไปสู่ความทุกข์กันพอเราจะเห็นว่าความโลภความอยากนี้พาเราไปสู่ความสุขกันอยากจะได้อะไรพอได้มาก็ดีอกดีใจกัน แต่ไม่ได้มองตอนต่อไปพอได้มาแล้วแล้ว เ, เป็นยังไงต่อไปดีใจไปเรื่อยๆหรือเปล่าหรือหลังจากหายจากการดีใจแล้วก็มาวิตกกังวลแล้วสิเพราะความหวงเพราะความห่วงนะนี่เรามองไม่ไกลมองแค่สั้นๆมองแค่ว่าอยากได้อะไรพอได้มาแล้วดีอกดีใจกันอยากดูอะไรอยากฟังอะไรพอได้ดูแล้วก็ดีใจ อยากกินอยากจะดื่มก็ดีใจแต่ไม่ได้คิดถึงเวลาที่อยากแล้วไม่ได้ดื่มไม่ได้กินนล้เป็นยังไงแล้วมันไม่ได้อยากแล้วมันพอได้มาแล้วมันไม่ได้พอพอได้มาแล้วเดี๋ยวมันอยากขึ้นมาอีกอยากจะได้มากกว่าเก่าเสืยด้วยซ้ำไปอ ม, มองไม่เห็นกันเราเลยต้องอาศัยปัญญาของพระพุทธเจ้ามาสอนเราเพื่อให้เราตัดความโลภตัดความอยากต่างๆ ใจของเราจะได้นิ่งจะได้สงบวิธีที่จะสู้กับความรูปความอยากก็คือกลับไปนั่งสมาธิใหม่พอกจากสมาธิมาแล้วพอเริ่มอยากได้นู่นได้นี่ก็กลับไปนั่งสมาธิใหม่อย่าไปทำตามความอยากทุกครั้งที่เราฝืนความอยากก็จะทำให้ความอยากนั้นมันหมดกําลังไปเี่ะเล็กเท่าน้อยเดี๋ยวมันก็หมด เดี๋ยวก็อยู่แบบไม่มีความอยากไม่มีความโลภได้พอไม่มีความโลบไม่มีความอยากใจก็อิ่มใจก็พอตลอดเวลาไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องมีทรัพสมบัติก้าวของเงินทองไม่มีไม่ต้องมีร่างกายไม่มีสิ่งเหล่านี้ก็ไม่มีอะไรจะต้องทุกข์ด้วยสิ่งเหล่านี้เป็นกองทุกข์ทั้งนั้นทุกข์เพราะว่ามันจะต้องจากเราไป นี่คือสิ่งที่เราจะได้รับจากการที่เราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้มาศึกษาพระธรรมคำสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าจะทำให้จิตใจของเรามีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงและมีความสุขเต็มร้อยและความทุกข์หายไปหมดได้ถ้าเราปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องปฏิบัติอย่างเต็มที่ การเข้าหาธรรมะขาหาเข้าหาพระศาสนานี้ไม่ได้หาเพื่อความเจริญในทรัพสมบัติเข้าของเงินทองหาเพื่อความสุขความเจริญทางจิตใจให้นีจิตใจมีความสุขมากขึ้นจิตใจสูงขึ้นสูงด้วยคุณธรรมความดีทั้งหลาย ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะอนุโมทนาให้ผ่อนเวลาจะถามก็ถามได้นะอาาย ท, ที่บอกว่าให้ให้ดูสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยใจี่เป็นกลางเนี่ยความ ย, ยังไงก็ต้องทำให้จาจเป็นกลางก่อนเนี่ย ตอนนิจใจเราไม่เป็นกลางเห็นอะไรเราจะเกิดความลักความชังขึ้นมาแล้วต้องนั่งมสมาธิทำใจให้สงบแล้วใจจะเป็นกลางแล้วพอจะเห็นอะไรจะเฉะยๆจะไม่รู้สึกรักจะชังสแสดงว่ามันจะเกิดได้เมื่อคือภาวะที่ว่าเราจะเห็นทุกอย่างเป็นกลางได้มันจะเกิดได้เมื่อเราต้องเป็นสมาธิพอใจจะเป็นกลาง ตอนนี้ใจเรามันไม่เป็นกลางใจเรามันจะไปทางรักทางชังทางกลัวทางหลงการนั่งสมาธินี้จะทำให้ใจกลับเข้าสู่จุดกลางถ้าเป็นรถก็คือเข้าเกียร์ว่างแล้อย่างนี้มันก็จะเกิดได้แต่ในช่วงที่นั่งสมาธิสในชีวประจงันอ๋อไม่ไงพอเรารู้ว่าใจเป็นกลางเป็นยังไงแล้วพอเราออกมาเราก็ใช้ใช้สติใช้ปัญญา บังคับให้มันอยู่กรงกลางแสดงว่าเราต้องไปเรียนรู้จากตรงนั้นว่าเกี่ยวว่างเข้าอย่างไรอตอนนี้เราเข้าเก ว, ว่างไม่เป็นหาเก ว, ว่างไม่เจ อ, อบอกให้มันเข้าเก ว, ว่างมันก็ไม่เข้าเพราะเราไม่รู้ว่าเก ว, ว่างอยู่ตรงไหนแต่พอเรานั่งสมาธิแล้วเราจะรู้ว่าวิธีทำให้ใจเป็นการทำอย่างไรก็ อ, ออกจากสมาธิมาเราก็ประคับประคองด้วยสติด้วยปัญญา เวลามันจะไปรักก็ดึงมันกลับมาได้เวลามันจะไปชังก็ดึงกลับมาได้เราต้องดึงมันมาตั้งอยู่ที่กรงกลางก่อนตอนนี้มันไม่เคยอยู่ตรงกลางมันจะอยู่ที่รักที่ชงังที่กลัวที่หลงจึงต้องมานั่งสมาธิเพื่อมาเหมือนกับมารีเซตมาตั้งเครื่องใหม่ตอนนี้เครื่องมันไม่ตั้งอยู่ตรงตงกลางมัน จะตั้งอยู่ที่ไอ้รักชังกลัวหลงนี่ไม่รู้อถ้าแล้วก็ตัดสินไม่เป็นด้วยอเอาเข้าข้างตัวเองเสมอ่ใช่หลอกตัวเองไปตลอดเวลาแล้วจริงๆแล้วถ้ามันอยู่ในสมาธิแล้วเนี่ยจริงๆเราจะรู้ได้ด้วยตนเองเลยไหมคะหรือว่าจริงๆเราก็ต้องเอาข้อทํามามาช่วยมันจะเห็นวา่าอตอนนี้ใจเราเฉยๆ ได้ยินเสียงก็ไม่รู้สึกอะไรไม่มีความดีใจเสียใจกับเสียงร่างกายเจ็บก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนกับการเจ็บของร่างกายก่อนที่มันจะเข้าสมาธิเวลามันเจ็บรู้ว่ามันทนไม่ไหวมันชังแล้วมันมันอยากจะหนีแล้วแต่พอจิตสงบแล้วมันไม่หนีมันเฉยเฉเจ็บก็เจ็บไปไม่เดือดร้อน เรารือว่าเฉยๆเป็นยังไงต่อไปก็พยายามใช้ปัญญารักษา mm hmm. เพราะว่าตัวกิเลสมันจะมาดึงให้เราไปรักไปชังเราก็ดึงมันกลับมากลับมาที่เฉยๆนี่แหละ mm hmm. อันนี้เฉยไม่เป็นใช่ไหม mm hmm. บอกให้เฉยก็เฉยไม่ได้ใช่ mm hmm. นั่นแหละเ mm hmm. พราะเรายังไม่ไปเจอจุดที่เฉยเป็นยังไง mm hmm. จิตเราไม่ได้ตั้งอยู่ตรงจุดนั้ น, เ, น mm hmm. เราต้องดึงจิตไปตั้งอยู่ในจุดนั้น mm hmm. จุดที่เฉยแล้วพอมันจะออกจากจุดที่เฉยก็ดึงมันกลับไปได้ตอนนี้เราไม่รู้ว่าจุดที่เฉยมันอยู่ตรงไหนรู้แต่ทฤษฎีรู้แต่ได้ยินว่าต้องทำใจให้เฉยแต่เราเฉยจริงๆก็แบบเฉยแบบเฉยเมยซะอีกเฉยแบบหงุดหงิดลาคาญในใจอย่างนั้นไม่ใช่เฉยจริงถ้าเฉยจริงมันจะไม่หงุดหงิดบำคาญมันจะเฉยๆอย่างสบาย <ฟ><ง>ใช่มันไม่เหมือนกันใช่สิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นไงที่ที่เราได้ยินได้ฟังเหมือนแบบที่เขาเล่าให้เราฟังเรายังต้องกินจินตนาการไปกินจินตนาการยังไงก็ไม่เหมือนกับของจริงอ่ามันเขาบอกกินขนมอย่างนั้นอร่อยเหลือเกินเนี่ยเราก็นั่งแต่คิดว่ามันอร่อยอย่างนั้นอร่อยอยังไงอ่าต้องไปกินดูทีก็รู้อ๋อมันอร่อยอย่างงี้เองอ รถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงเนี่ยเรายังไม่รู้ว่ามันมันชนะรถอย่างอื่นได้ยังไงจนกา่าเราได้ชิมได้ลิมรถรถแห่งธรรมคือความสงบเนี่ยพอจิตสงบจริงๆแล้วมันเหมือนขึ้นสวรรค์ทั้งเป็นนะมันยิ่งกว่าถูกก็ตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเนี่ยยังนอ้อง ก็ต้องทํ ำ, ท, ำทํ<ท>า <ำ S 1> ได้ ม, มันไม่ทำกันเองนั่นแหละ <c oughs> มันไปทําอย่าง อ, างอางื่นใช้หมดพุดโทโธคําเดียวมันยังทำไม่ได้ให้คิดสูตรต่างๆผลิตอะไรต่างๆยากกว่าพุโทโธคําเดียวเองทําได้เลยเวลาคิดพุดโทโธแล้วมันก็ยังซอนจับการคิดคําู้นนีได้ก็แข่งกันไปอย่าไปสนใจตอนต้นมันก็ชักกร ะ, ะเยอะกันอย่างน<อ>าี้เขายังมีแรงมากเขาก็ยังคิดของเขาอยู่ เขคิของเขาไปเราอย่าไปคิดตามเขาแล้วก็คิดของเราแล้วก็อยู่กับพูดโธไปเหมือนร้องเพลงประสานเสียงกันเขาร้องเสียงนั้นเราร้องเสียงนี้ไปงั้นเราก็ต้องยิ่งพูดโธให้ดังให้หนักขึ้นให้ก็ให้อยู่กับพูดโธรไปเรื่อยๆอย่าไปอย่าไปตามเขาเขามาชวนคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็อย่าไปคิดตามเขาแล้วก็อยู่พูดโธของเราไป เราไม่อยู่เลยเพอเข้ามาคิดปั๊บทิ้งพุโทโธเลยไปคิดกับเขาต่อเลยไปคุยกับเขาต่อเลย mm. อยู่กับพุโทโธไปเน mm. ื่อยๆเดี๋ยวต่อไปเขาก็หายไปเองแล้วระหว่างการอยู่กับพุโทโธกับากับการการปฏิบัติเคลื่อนไหวให้มีสติหรือการเคลื่อนไหวกันก็ได้ถ้าใจเราอยู่กับการเคลื่อนไหวไม่ไปคิดอะไรก็ได้ แต่ถ้าไปคิดก็ใช้ไม่ได้ถ้าดูเกินไหวแล้วก็ไปคิดกันรื่องั้นเรื่องๆๆนี้เรื่อ ง, อ, ง, งอื่ น, นความนิงมน่งความไม่คิดทำงานกใกล้จดจออยู่กับงานที่เราทำอย่างเดียวไม่ให้ไปคิดเรื่องอื่นซึ่งใหม่ๆมันก็คือต้องใช้แรงยู่ไม่ดคิดมัน <ๆ S 1> ดึงกันไงมันต้องดึงมาต้องบังคับเพราะมันจะคิดอยู่เรื่อยๆก็ต้องใช้เบรก ต่อไปพอมันไม่คิดแล้วก็ไม่ต้องใช้เบรกไม่ต้องขอม่มพอมันหยุดคิดแล้วเราก็เฉยได้ังจากที่ไหนกันวันนี้นะคนปรปฐมค่ะเรากรุงเทพมาโดยตรงนี่เลยนะ<า> ม, มาตั้งแต่เช้านี้เลยนี่<ด>ยมาัมา้างคืน ได้ก็ติดตามทาง Facebook ได้เนี่ยมีไหมมีค่ะติดตามถ่ายทอดสดอยู่ตอนนี้ก็ถ่ายทอดสดอยู่หยุดได้หนังสือ c ีหยิบตามสบายน้ำการเดี๋ยวหมดมีออกมาอีกหนังสือยังมีไม่ต้องกลัวหยิบไป ขอให้เาไปอ่านท่านนั้นยาวไปแจกฮ <c oughs> ะก็ามาใกล้ๆเน่ยไม่ดีนเสียงนะพูดดังๆหน่อยคนที่บ้านจะได้ยินพอดีจะเรียนถามว่าถ้าเกิดว่าเป็นแพทย์เนี่ยคะ่ะแล้วก็ต้องเราต้องทำเกี่ยวกับคนไขนะ้เนี่ย แทนเส้นเลือดหรือว่าเราต้องผ่าตัดเนะคะเราจะเป็นบาปนะคะถ้าเกิดว่าเขามี complication อ, อ๋อถ้าเราทำด้วยวิชาชีพทำด้วยเหตุด้วยผลไม่มีเจตนาที่จะทำลายเขานี่แต่มีการผิดพลาดได้นี่ก็ไม่ไม่เป็นบาปแต่อย่างได เ, เหมือนเราขับรถเราก็ขับด้วยความระมัดระวังแต่ก็มีอุบัติเหตุเกิดทำให้คนตายได้ก็ไม่ได้เป็นการทาบาป เป็นเรื่องอุบัติเหตุเป็นเนื่องสุดวิสัยถ้าเราต้องเป็นผู้วินิจฉัยเช่นตอนนี้แบบมีประเด็นต้อนแอบมือิทแล้วเราต้เป็นผู้วินิจฉัยแล้วเราวินิจฉัยเพื่อให้คนทบรชาตัดสินทีนี้เราจะเป็นยังไงเราไม่ควรที่จะไปวินิจฉัยแบบนั้นเราวินิจฉัยโลกได้แต่เราไม่ต้องไปบอกทางทางออกของเขาให้เขาเป็นคนตัดสินว่าเขาจะเก็บหรือก็จะทําลาย มินิชัที่เราทายออกไปค่ะว่าเราว่าเรามีความเห็นว่าเด็กคนนี้จะจะหลังหลักข้อเ น, นียค่ะจะรอดกี่เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยได้แล้วก็พูดไปตามหลักขอ ง, <c oughs> ข, องของวิชาชีพได้แต่อย่าไปบอกว่าควรที่จะทำลายเขาหรือไม่ทาลายเขาอันนี้เป็นการสั่งให้เขาฆ่าหรือฆ่าเองอย่างงี้บาอย่าไปออกความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการเต <c oughs> การตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรกับทารกบอกอนาคตของทารกได้ว่าเกิดมาแล้วจะพิการจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่จะไม่ข อ, อให้ความเห็นว่าควรจะทำอย่างไรควรเป็นสิทธิ์ของแม่และพ่อที่จะตัดสินใจเอาเองว่าจะทำอย่างไรไม่ได้ทากับการฆทารกปกต แล้วปกติแต่ว่ามันดาเป็นโรคที่ไม่สามารถที่จะให้คลอดยุดได้เนี่ยค่ะเราต้องออกความเข็อย่างนี้ยค่ะใช่มันดาเป็นโรคหัวใจไรแรงอย่างนี้ยก็อย่าไปมีอย่าไปตั้งครรภ์ถ้าเขาแบบตอนนี้มันยากค่ะเพราะว่าเด็กวัยรุ่นนะคะจะมีตั้งครนภมาแล้วเราเพิ่งมาทราบเราจะต้องเราจะต้องแบบเป็นคนก็เลือกเอาว่าจะจะจะจะจะรักษาศีลหรือจะไม่รักษาศีล จะรักษาชีวิตหรือจะรักษาศีลคือเราอาจจะต้องคือหนูก็จะท า, ายไปว่าถ้ามีการคลอดก็จะเป็นเป็นแบบว่ามารดาอาจจะไม่จะอาจจะเสียชีวิตไปพร้อมเด็กแค่นี้คะ่ะแต่ว่าให้เข า, เาไปตัดสินใจเองใช่ได้เราพูดไปตามหลักวิชาการได้ อ, อแต่เราไม่สามารถที่จะไปแนะนําไม่ควรจะไปแนะนําเขาว่าควรจะเอาออกควรจะ อ, อะไรอย่างนี้ ก็บอกเขาว่ายังงก็ตายเหมือนกันตายชา้าตายเร็วนค่นี้ถ้าคลอดมาแล้วไม่ตายก็ไปตายตอนแก่อยู่นี่แล้วก็ถ้าถ้าเกิดว่าหมอสูงอะค่ะหมอผู้ทาที่ต้องไปทนแทนเนี้ยค่ะเขาจะบาปไหมคะถ้าเข า, า, า, าต้องเป็นคนฆาถ้าเขาทำก็บาปเลยเพราะเขาเป็นคนฆ่าแม้ว่าเขาจะช่วยผู้ป่วยเขาก็บาปอก็ก็กบาปอะงั้น ถ้าคนอื่นเข้ามาช่วยฆ่าเรานี่บาปไหมแต่เขาทําด้วยแบบช่วยช่วยผู้ป่วยให้รอดชีวิตใช่หรือว่าเขาไปช่วยคนอื่นเพื่อมาฆ่าเราเพราะฆ่าเราแล้วเขาทำให้คนนั้นสบายใจแล้ว เ, เราจะยอมให้เขาข้าไหมมันบาปทั้งนั้นแหบบะถ้าเป็การฆ่าแล้วมันบาปต้องเรียนถามในแง่ปฏิบัติ คือว่าปกติเนี่ยค่ะด้วยวิชาชีพเนี่ยคือจะต้องคอนเซนเตตมากๆกับบางเรื่องมีบางช่วงนี้แบบคอนเซนเตตมากจนแบบเหมือนเราเข้าชานได้เลยอะค่ะแบบนิ่งสงบไปเลยแล้วเวลามานั่งสมาธิเนี่ยค่ะมันก็จะเหมือนนิ่งหลับไปเพราะด้วยความเหนื่อยด้วยมนคะคะก็เลยจะหลับไปในสมาธิวันนี้ตอนหลังพยายามแก้ตรงนี้แล้วก็มาจเจริญสติมากขึ้นปรากฏว่าหนูไม่สามารถที่จะเข้าสมาธิได้เลยค่ะคือแบบว่า จะเข้าไปได้แต่ไม่ถึงอัปปนาอย่างที่เคยได้เข้าอมันก็เป็นของที่เราต้องพยายามทำไปเรื่อยๆแสดงว่าสติเรายังมีกำลังไม่มากพอ<ม>ก็พยายามเจริญสติไปให้มากขึ้นลดความคิดปรุงแต่งให้น้อยลงไปจริงๆแล้วหนูว่าคือตอนนี้เรื่องม่วงหลับก็หายไปเลยนะคะคือตอนนี้ก็คือว่าตั้งแต่ที่ทำงานมากเนี่ยก็เลย ตัดสินใจลาออกจากงานที่ยุ่งยุ่งเนี่ยมาอยู่โรงพยาบาลเล็กๆแล้วก็ปฏิบัติทุกวันค่ะแต่กับใจว่าการปฏิบัติมันเมื่อก่อนเรารู้สึกว่าเราดีกว่าเองแต่ตอนนี้แบบว่าแต่ถ้าถามว่าจิตใจใ่จิตใจมราดีขึ้นแล้วก็ป่อวางทุกอย่างไม่ดีขึ้นเพราะว่าการการที่เราจะให้เข้าไปถึง <c oughs> พื้นท <c oughs> ี่นี่มานหายไปเลยเนี่ย <c oughs> มันทําไม่ได้เนี่ยมันยากเพราะว่า <c oughs> เรายังต้องใช้ความคิดอยู่กับการงานต่างๆเราต้องมาอยู่แบบพระนนรที่ไม่มีความจมเป็นจะต้องคิดถึงเรื่องอะไรสามารถที่จะไม่คิดได้คิดก็น้อยมากาตอนนี้มาอยู่หกวันก็หนูก็ออ ย, ยังรู้สึกว่าเราไม่ไม่สามารถจะกลับไปจังหวัดเดิมได้ต้องใช้เวลาอย่าไปลืร้นอน คือเจริญสตินี่คือการที่เราในชีวิตประจํวาวันเจริญสติก็เป็นการเจริญสติได้การอ่านหนังสือตั้งานก็สติแต่สติแบบใช้ความคิดไงสู่สติแบบพุโทโธไม่ได้ไม่ต้องใช้ความคิดและการเจริญสุดท้าอันนั้นเป็นอีกขั้นหนึ่งมันเป็นขั้นปัญญาแต่ก็จะใช้เป็นการเจริญสติก็ได้เหมือนกันถ้าเราจดจ่ออยู่กับ อสุภะเช่นอาการขาติสองเลื้อซากศพอย่างเงี้ยไม่เปคิดเรื่องอื่นมันก็เป็นสติได้เหมือนกันเราสามารถทำตาที่เราฝ่านาักสมาคิได้แทนพุทโธได้ใช้แทนพุทโธได้เพระเอกรู้ไวนะที่ยังยังไม่สงบเนี่ยค่ะคดีหนูจะเคยดิสเจกสร้างเกิดแ่ว่าควบ่อยก็จะเอามาคิดเป็นิสเกร่างกายตัวเองได้ได้ ดูร่างกายได้เป็นการจเจริญสติโดยการใช้ร่างกายก็คิดไปหรือชมต้นก็คิดอยู่เกี่ยวกับเรื่องของร่างกาย <Nein. S 1> แต่อย่าไปคิดเป็นเรื่องเป็นราวให้ให้ดูเฉยๆดูอาการของร่างกายต่า่งใจดูอาการ3ามสิองดูผมขนเล็บฟันหลังเนื้อเอ็กระดูก็ ไ, ไ, ไม่ต้องแรกก็ได้เรานึกถึง นึกถึงการที่อยู่ภายใต้ขัางผยงหนังเราก็เคยเห็นอนาตมี่มาแล้วไม่ใช่เราเน้นถึงโครงกระดูกได้ไหมนึกถึงตับทได้ไหมหัวใจก็นึกไปไม่ต้องแล่ก็ได้จะผ่าก็ได้ไม่ผ่าก็ได้ถ้าต้องการจะเจริญสติก็ไม่ไม่ต้องผ่งาเพียนึกถึงวัตกรรมต่างๆไปนึกถึ ง, งอะไรว่ายาวไปดูภาพรวมก็ได้ดู ระบบทั้งระบบที่อยู่ภายใต้ผิวหนังนี่ดูให้เห็นว่าร่างกายมันไม่สวยงามความสวยงามมันเพียงอยู่ที่ผิวหนังที่ด้านนอกต้องเห็นว่ามันมีทั้งสวยและไม่สวยเราจะได้ไม่หลงไหลไปกับร่างกายของคนอื่น ต้องประกอบกับ <würden> ข <ancia> ึ้นมาในร่างก็ได้ทำยังไงก็ได้ในการ32นี่ความกันคือเป้าหมายให้ดูว่ามันไม่สวยงามให้ดูว่ามันไม่เที่ยงให้ดูว่ามันไม่มีตัวตนมันเป็นเพียงส่วนประกอบของอวัยวะต่างๆไม่มีตัวเราอยู่ในร่างกายนี้ ตัวเราอยู่ในใจผู้คิดเราไม่ได้อยู่ในร่างกายพอผลตงหน่อยก็เสียงก็จะฟังยากหน่อยได้ยินหรือเปล่ายังได้ยินเฉียงหรือเปล่าได้ยินอยูนะ มีอะไรจะถามไหมยุงเทพเหรอยุงเทพเหรอทำงานเรือเ่องเรียนหนังสื อ, ท ำ, อทำงาน้วเหรอยังนจบแล้วเหรอแล้ ว, ลวยากจะเป็นอะไรไ ก, า ก, การ็ทำดังใจก็อาจารย์การย์ปฏิบัติปัติอยากำลงานอ อยหาเวลาแบ่งส่วนที่ปฏิบัติให้มากขึ้นอยากจะปฏิบัติเลยเพราะเหตุใดนเพราะเหตุใดเพราะเหตุใดเ็นคอะไราอะไรพอดีไม่ใช่คนไทยอเป็นคนอะไรคนมาเลเซียชาวมาเลเซียพูดไทยได้ได้ได้ระดับหนึ่งบางคาอาจจะยังจำไม่ได้ออาวไปเราอยู่เมืองทยงาน้เหรอะมามปี้าปีก็พูดเหมือนคนไทยแล้วนะ ถ้าไม่บอกก็ไม่รู้ไม่มีสัมเนียงวะเนี่ทำไมถึงมาอยู่เมืองไทยมีแฟนที่นี่เหรอ่ชมีแฟนเป็นคนไทยเหรอเป็นคนไทยอ่าเจอกันที่นี่แล้วเจอกันที่มาเลเซียเราเจอกันที่อังกฤษครับอาเจอกันที่อังกฤษเราสมัยเรียนหนสือเยนสือด้วยกันแล้วก็ชอบกันแล้วก็เลยมาแต่งงานกันไม่ได้ไม่ได้แต่งเลย แล้นี่มาอยู่เมงไทยเพื่อมาอยู่ใกล้ท้องนี่หรก็ก็ส่วนหนึ่งแล้วกส่วนนึงคืออยากอยากอยู่ประเทศที่เห็นการปฏิบัติหรือปฏิบัติอาก็เลยข้าอยู่เมื่อก่อนเคยทํา ง, งานที่มาเลเซียเราก็คิดว่าตอนนั้นอลองปฏิบัติแต่สภาพสภาแวดล้อมอาจจะไม่ค่อยสะดวกเหมือนเมืองไทยเมไ ท, ย, มทยถ้าอยู่เมไทยก็ ไปไปวัดไปนั่งได้มาฟังคุงว่าชาตเทพแล้วก็เหมือนช่วยช่วย เ, เสริมจิต<อ>แล้วต้องทํางานด้วยค่ะทํางานด้วยมีงานมีงานที่นี่เลยมาหางานที่นี่เลยใช่ป่าแล้วอาจจะปฏิบัติมากขึ้นนะอยาจจะปฏิบัติมากขึ้น เรอยากจะบวชไหมต่อไปจะบวชไหจจริงๆเคยคิดเคยคิดจะบวชนะถ้าถ้ามีโอกาสเรวก็ถ้าถึงเวลาแต่จริงๆไม่รู้เวลาเมื่อไรจะเป็นเวลาที่ถูกต้องน่าถ้าจะได้เคยไปวัดที่นี้ชาวต่างประเทศอยู่เนะ เป็นวัดปานนาชาติเคยไปเลยเคยได้ยินแต่ไม่เคยไปปกติถ้าฟังเทศก็ฟังเทศหลวงปูชาหลวงปูชาเป็นภษอังกฤษคนนั้นเอที่ที่เป็นลูกศิษย์เขาอ่านให้แกแล้วอ่านให้รู้จากลูกศิษย์ของพระอาจารย์ชาที่เป็นชาวต่างประเทศไหเคยเจอหลงพ่อสุเมโอหลอเซย์อนอยู่ที่อังกฤษเคยไปวัดนิมนต์ มีมีพระชาวมาเลเซียอยู่รูปหนึ่งเคยเจอไหชื่ออะไรนะท่านอะไรพระชาวมาเลเซียที่เป็นลูกเศรษฐีซิลิปันโยซิปันโตอนนี้อยู่เมืองไทยใช่ไหมอ่าครันันก็เป็นชาวมาเลเซียนะครับอเป็นมาเลยแต่แม่เป็นไทย ท่านเทศใน YouTube ครับี <Yeah. S 2> ท่ท่านเทศเป็นปาก็เป็นคลิปที่ค่อนข้างไวรัลก็เลยรวมกันทั่วไปหมดมแล้วได้ปฏิบัติยังสม่สำเสมอไหมต่อเนื่องไหมได้ทุกวันทุกวันน ะ, ะ แ, ลแล้วได้ผลบ้างไหมคิดว่าได้ผลก็ เ, เลยทำต่ อ, อว่าจะได้มันเห็นทุกแล้วก็เห็นว่ามันลดความทุกข์ได้ ไปอ่านนัพสพภาษาอังกฤษช่องเราบ้างไหมยังครับผมเราจะหยิบหให้ไ ม, ม่อ่ <c oughs> อันนี้เป็นภาษาอังกฤษไม่เห็น Born บนเว็บอ่าบนเว็บเออยังไม่มีวินัยไปไปอ่านเป็นจริงจังให้แกล้งอ่านในเว็บนี่ก็ได้ก็ผมก็ติดตามเฟซบุ๊กของท่านทำไทยทางอังกฤษอส่วนใหญ่ถ้าอ่านก็อ่านที่ ที่เป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยยังอ่านไม้ค่อยได้อันนี้ก็แปลมาจากภาษาไทยครับมีอะไรอยากจะถามหรือเปล่ า, า ไ, มไม่สงสัยอะไรนะไม่มีอะไรสงสัย <c oughs> ไม่มีอะไรอยากจะรู้จริงๆก็รู้ว่าถ้าอยากจะทําก็ต้องทําไปเรื่อยๆแต่ถ้าอยากจะ ที่เร็วหรือชัดเจนในเวลาสั้น<ม>ตอนระหว่างการทํางานระหว่างที่เราทํางานต้องใช้ใช้สมองใช้จิตบางทีอาจจะไม่ได้สติเต็มร้อเราก็กลับมาจนเราต้องเรานั่ ง, ง, ง, ง, ง, ง, งนั่งสมาธิใช่ไหมนั่งสมาธิบ า, า, างทีก็ทําให้จะให้ทําให้ จิตนิ่งนานแต่ก็ยังมีเวลานั่งแช่อะไรควบคุมใจลมหายใจหรือลมหายใจดูลมหายใจเข้าลมหายใจอาาปนาสติหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้แล้วใจก็สงบขึ้นความคิดก็น้อยลงแต่ยังไม่ถึงระดับที่มัน หายไปหมดยไปเลยเพราะว่ายังมีความคิดจะงานสิ่งต่างๆในชีวิตก็ยังเท่าอยู่ก็ทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวต่อไปมันก็จะสงบเต็มที่เราก็จะมีความสุขมากอ่านภาษาไทยก็ได้เลยอ่านภาษาไทยนี้ยงอย่างอย่างชือว่ายังลำบาก เป็นคำง่ายๆอาจจะได้ฮัตเรียฮัอ่านอยู่แล้วภาษาไทยเรียนอยู่เรียนกอไก่ขอไข่ยตนนี้ไม่ได้ไปเรียนมานานแล้วอยากอยากจะกลับไปเรียนเพราะว่าคิดว่าจะสะดวกขตอนนี้ถ้าสมมติเจออักษรที่ไม่มีหัวก็อ่านไม่เคยออก ก็ดีไม่มีอะไรจะดีเท่ากับธรรม ะ, ะผมประทับใจที่ไปฟังท่านเทศเป็นภาษาอังกฤษด้วยอ๋ อ, อ, อก็ชอบไปตอนนี้พยายามฟังที่เป็นภาษาไทยในภาษาไทยาภาษาไทยไ<ป>จะมีเทศเทยอะกว่าภาษาอังกฤษาภาษาอังกฤษก็เวลามีชาวต่างประเทศมาเดี๋ยวนี้ก็มีชาวสิงคโปร์มาเลเซียมากันเยอะ บางกันอยู่เรื่อยๆอันที่ก็ชาวอินโดนีเซียน่าจะเคยได้ฟังเทที่ชาวอินโดนีเซียในใน u t u b e ที่เป็นแพทยภาษาเกติก็มีเข้าไปดูได้ที่เป็นสัญญาณเตือนลุกซิตของตอมปูชาใช่ครับก็มีหลายมาจากหลายที่ด้วยกัน <sh> ม <arp people> <think> ีอะไรอไหม นน ย, ย, มยมไม่มีเดี๋ยวฟังก่อนก็ได้เดี๋ยวมีทางบ้านเขาจะถามปัญหาอันนี้กำลังถ่ายทอดสดใน YouTube กับ Facebook อยู่คนที่ติดตามทางบ้านเขาจะอยากจะถามปัญหาก็ส่งข้อความเข้าขมาตอนนี้มีเท่าไหร่นะตอนนี้เหลือ279 YouTube มา40คนใช่ไหม40 ประมาณนี้ยอดคนเข้าถึงแสนกว่าร้แป๊บเดียวแสนห้าแสนน ะ, ะ แ, นนะแต่วันก่อนนั้นห้าแสนออแชร์กันเยอะมันมาขึ้นปรัปปรบอยู่สองวันวันที่สิบสองนี่ขึ้นไปสามแส น, น <c oughs> แล้วก็วันที่สิบสามนี่ห้าแสนสิบสี่เมื่อวานนี้เหลือแสนกว่าแสนเจ็ดเดี๋ยวคงจะลดลงเลปกติก็ประมาณเจ็ดแปดห่น <c oughs> เอาเลถามเลยถ้ามีคำถามใครอยู่ทางบ้านอยากจะถามก็กดข้อความเข้ามาได้เลยคำถามจากคุณมงคลเวลาฟังเทศควรกำหนดสติไว้ที่หูหรือตั้งสติไว้ที่ใดครับอออยู่ที่เสียงธรรมให้เราฟังเสียงเป็นอารมณ์แล้วฟังนี่มีสองลักษณะฟังแบบฟังเฉยๆคือ ไม่ไปคิดตามเสียงถ้าฟังเฉยๆก็จะได้สมาธิได้ความสงบถ้าฟังแล้วคิดตามเหตุตามผลที่แสดงไว้ก็จะได้ปัญญาแล้วแต่ว่าเรามีความสามารถในทางไหนบางคนยังคิดไม่ได้คิดตามไม่ได้เพราะมันอาจจะมีความรู้ไม่พอที่จะเข้าใจถึงหลักธรรมที่แสดงก็ฟังเสียงไปใช้เสียง ทำเป็นเครื่องกล่อมใจถ้าไม่ไปคิดเรื่องอะไรก็จะสงบเหมือนกับนั่งดูลมหายใจได้เหมือนกันแทนที่จะดูลมก็ใช้เสียงทำแทนถ้าคิดได้ก็จะเกิดความเข้าใจและอาจจะบรรลุธรรมได้เล ย, ยสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมคนฟังเขาฟังแล้วเขาคิดตามได้พอเขาเข้าใจเขาก็ ดับความทุกข์ใจที่มีอยู่ในใจเขาได้เขาก็บรรลุทำได้เลยคาถามจากคุณไอซ์ตอนนี้เริ่มทำสติทั้งวันเริ่มภาวนาพุโทโธนับหนึ่งสองนับไปเรื่อยๆพอเริ่มพอลืมก็หยุดไปนึกได้ก็กลับมานับต่อตั้งแต่เช้าจนหลับอย่างนี้จะพอได้ไหมคะก็ลองทดสอบดูว่าเวลานั่งสมาธิแล้วเป็นยังไง ผลของสตินี้อยู่ที่สมาธิถ้าเรานั่งแล้วสงบก็แสดงว่าเราได้ผลดีจากการเจริญสติถ้านั่งเรายังเหมือนเดิมยังไม่สงบก็แสดงว่ายังใช้ไม่ได้ต้องนั่งด้วยนะไม่ใช่แต่เจริญสติอย่างเดียวก่อนจะนอนก็นั่งสักครึ่งชั่วโมงนึกการเท่าไหร่ได้ยิ่งดีก่อนจะนอนเราก็นองนั่งดูเราดูซิว่าสติที่เราได้เจริญมาทั้งวันนี้ มีกำลังมากน้อยเพียงไรการนั่งนี้มันก็เป็นการต่อสู้ระหว่างตันหากับสตินี่แหละตัหามันจะชอบดันให้เราคิดถึงเรื่องราวต่างๆสติก็จะหยุดให้เราคิดดังถ้าสติมีกำลังมากกว่าความคิดก็จะหยุดแต่ถ้าความคิดหรือตันหาความอยากมีกำลังมากกว่าสติมันก็ไม่หยุดมันก็ไม่สงบ คำถามจากคุณพุชบางทีลูกรู้สึกว่าจิตกําลังทุกข์แต่ไม่รู้ว่าทุกข์เพราะเหตุใดลูกควรปฏิบัติอย่างไรดีครับก็ลองค้นหาสาเหตุดูว่าตอนนี้เราทุกข์กับใครกับเรื่องอะไรส่วนใหญ่มันก็ความอยากของเราอยากให้ได้สิ่งนั้นมาอยากได้สิ่งนี้มาอยากให้เหตุการณ์เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยากให้คนนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หรือเปล่า ถ้าเรายังไม่มีความสามารถที่จะค้นหาสาเหตุได้ก็หยุดความคิดก่อนอบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปอย่าไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆถ้าใจไม่คิดเดี๋ยวใจสงบแล้วความทุกข์ใจก็จะหายไปครับต่อไปเป็นคำถามฝากถามนะครับถ้าเราได้บรรลุมรรคผลนิพพานแล้วเราควรจะทำอะไร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้สาเหตุที่ถามเพราะคนทั่วไปชอบว่าคนที่ปฏิบัติเพื่อหวังนิพพานเป็นคนเห็นแก่ตัวเอาแต่ตัวเองรอดเลยอยากได้ความกระจ่างจากผู้ที่ปฏิบัติแล้วได้ผลเพื่อความกระจ่างก็พระพุทธเจ้าของเราก็เป็นตัวอย่างที่ดีอยู่แล้วหลังจากที่ทรงได้ถึงพระนิพพานแล้ว พระ อ, องค์ก็นำความรู้นี่มาสั่งสอนแก่ผู้สั่งสอนวันละสีรอบด้วยกันตอนบ่ายสอนญาติโยมตอนค่ำสอนพระภิกษุสามเณรตอนดึกสอนเทวดาตอนเช้าก่อนจะออกบินทบาก็เล็งยานดูว่าวันนี้จะไปสอนใครเป็นกรณีพิเศษนี่คือหน้าที่ที่พระเจ้าทำทุกวันเรียกว่าพุทธกิจมีอยู่ห้าข้อ สี่ข้อเกี่ยวกับการสั่งสอนช่วยเหลือผู้อื่นให้ธรรมทานที่เป็นการให้ที่ที่ชนะการให้ทั้งปวงให้อะไรก็ไม่ดีเท่ากับให้ธรรมะเพราะธรรมะเท่านั้นที่จะดับความทุกข์ของสัตว์โลกได้ที่จะทำให้สัตว์โลกหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ให้เงินทองเป็นร้อยล้านพันล้านก็ดับความทุกข์ไม่ได้ยุติการเวียนว่ายตายเกิดไม่ได้ สิ่งที่พระเจ้าให้กับพวกเรานี้เป็นสิ่งที่ประเสริฐมากเพราะถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าให้ธรรมะ ก, กับพวกเราเราจะไม่รู้เลยว่าเราจะทําอะไรกับความสุขความทุกข์ของเราเราจะเป็นเหมือนคนตาบอดไม่รู้ว่าความสุขความทุกข์เกิดจากอะไรนี่คือประโยชน์ที่เราได้รับจากผู้ที่ได้ไปถึงพระนิพพานแล้วได้ธรรมได้แสงสว่างแห่งธรรม ที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ที่ทำให้เรายุติการเวียนว่ายตายเกิดได้นี่คือหน้าที่ของผู้ที่ได้หลุดพ้นกันแล้วแต่ก็ไม่ได้เป็นหน้าที่ที่ ท, ที่ถูกบังคับให้ทำบางองค์ท่านอาจจะทำบางองค์ท่านอาจจะไม่ทำก็ได้เพราะบางทีบางองค์ท่านอาจจะไม่มีความถนัดในการสนทนาในการแสดงธรรมก็จะไม่ค่อยได้แสดงธรรม แต่ท่านก็จะทําทประโยชน์อย่าง أ, นึอนําพาให้คนรักษาศีลให้คนทําบุญทําทานพาคนมาสร้างโบสถ์สร้างเจ ด, ดีย์ทำประโยชน์อะไรให้แก่สังคมขอถามเสริมครับอาจารย์ผู้ผู้ปฏิบัติจําเป็นไหมครับว่าหรือควรไหมครับที่จะต้องอ่านหนังสือธรรมะเยอะๆในหลายๆแนวครับอาจารย์หรือว่าคูรจะเลือกแนวใดแนวหนึ่งครับก็แนวของพระพุทธเจ้าเนี่ยอ่านพระสรูวดของพระพุทธเจ้า เพื่อเป็นมาตรฐานการวัดคำสอนของครูบาอาจารย์ต่างๆถ้าเราไม่มีมาตรฐานกลางเราจะไม่รู้ว่าอันไหนถูกอันไหนผิดเพราะสมัยนี้ครูบาอาจารย์มีหลายแนวหลายทางด้วยกันแล้เราก็ต้องเอามาตรฐานของพระพุทธเจ้ามาเป็นตัววัดก็ให้ศึกษาพระสูตรสำคัญสักสี่หพระสูตรอย่างที่เคยได้บอกศึกษาธรรมจักรกับประวัตนาสูตร อนัตลักษณ์ก็นาสูตรมงคลลสูตรสติปัฏฐานสูตร4ีหแค่นี้ก็พอละหรือว่าสมัยนี้เขาก็ไปท่านเอาธรรมะสำคัญสำคัญมาใส่ไว้ในห ล, ลักสูตรนักธรรมตรีไปซื้อหนังสือนักธรรมตรีมาอ่านก็ได้จะมีบอกว่าอริยสัจสี่คืออะไรมรรคแปคืออะไรอิธิบาท4คืออะไร คือธรรมต่างๆเหล่านี้เป็นธรรมที่เราควรจะรู้กันต้องมีของของของจริงคือของพระพุทธเจ้ามาเป็นเป็นมาตรฐานแล้วเราไปเจอกรูบาจารย์รูปไหนเราก็ลองฟังคําสอนของท่านดูว่าอยู่ในแนวนี้หรือเปล่าถ้านอกแนวก็ถอยเลยถอยเลยสแสดงว่าไม่ใช่แล้วที่ถามเรื่องหนังสือครับพอาจารย์เพราะเคยผู <c oughs> ้ปฏิบัติมาเยอะส่วนใหญ่ จะเห็นว่ารู้แต่หนังสือแล้วก็เอามาตีกันม่วนซัวกลายเป็นฟุ้งไปหมดเลยครัอาจารย์ไม่มีประโยชน์อะไรเลยก็คือความความรู้จากการเรียนนี้เป็นเหมือนกับความรู้สําหรับคนเหมือนคนตาบอดคําช้างคนตาบอดคาช้าง4ี่ห้าคนไปคำคนละจุดกันคนหนึ่งไปคําที่ท้องช้างก็บอกาช้างเป็นเหมือนฝาผนังไอ้คนก็เถียง ว, ว่าเป็นเป็นหอกพราอไปคําที่งาไอ้คนบอกไม่ใช่เป็นงู พอไปําที่งวงอีกคนบอกไม่ใช่เป็นเชือกพอไปํำที่หางนี่คือพวกที่ศึกษาไม่ลอกไม่ไม่ครบบริบูรณ์ศึกษาบางส่วนบางเรื่องแล้วก็เอามาตีกันถ้าจะศึกษายิงจริงต้องศึกษาให้ครบแล้วก็ต้องปฏิบัติพิสูจน์ก่อนว่าเป็นจริงอย่างที่ได้ศึกษามาหรือไม่เมื่อเห็นเป็นจริงแล้วจะได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไร คนที่รู้แล้วจริงๆเนี่ยมักจะไม่ไปทะเลาะ ก, กับใครหรอกเพราะขี้เกียจเหนื่อยเพราะไปทะเลาะ ก, กับคนตาบอดทะเลาะไงมันก็เขาก็มองไม่เห็นอยู่ดีตาก็อยากจะคิดไปตามความคิดของเขาก็ปล่อยเขาคิดไปทาไม่ทำตรงกันข้ามเลยอย่างหนวยนี่คือไม่ชอบจะไปศึกษาก็อหรือปฏิบัติลุยปฏิบัติอย่างเดียวเลย ก็ต้องมีก ok an ็ต้องมีมีแผนที่ในการปฏิบัติไม่ใช่ปฏิบัติแบบไม่รู้ว่ารู้เหนือรู้ใต้ก็ต้องรู้พื้นฐานของการปฏิบัติว่าต้องปฏิบัติอะไรก็ต้องให้รู้ทานศีลภาวนาเป็นหลักใช่มรู้รู้วิธีทำทานไหมรู้วิธีรักษาศีลไหมรู้วิธีภาวนาัหยถ้ารู้สามข้อนี้ก็พอละไม่ต้องรู้มากไปกว่านี้ก็ได้ ไปฟังเทศฟังไม่เข้าใจอะค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่ไม่รู้หนังสือเลยไม่รู้แบบอย่างเบื้องต้นอะไรพื้นฐานเลยอะฐาะมันก็จะไม่เข้าใจเลยค่ะเวลาฟังอนั้นหนูก็พบพบกับตัวเองค่ะว่าแม้ว่าเราปฏิบัติไม่ได้อ่านเราต้องอ่านบ้างอ่านพื้นฐานก็พอแล้วต้อรู้บางอย่างที่เราต้องรู้ขันห้านี่เราต้องรู้และเขาเคยเคยมีนิมิตขันห้านี่ค่ะแล้วก็ไม่ได้เข้าใจเลยว่าขันห้าคืออะไรแล้วสุดท้ายก็พาเราไปอ่านขันห้าได้ เราต้องรู้รู้ปปนนสังโยชน์สิบประการนี้ต้องรู้และเพราะนี่คือโจทย์ของพวกเราคนที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ต้องละสังโยชน์สิบประการสังโยชน์ก็คือเนี่ยคำว่าสังโยชน์แปลว่าสายที่ร้อยร้อยรัดใจให้ติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดเราต้องตัดสายเหล่านี้ออกไปมีสิบเส้นสักกายทิฏฐิความเห็นว่า มีตัวตนในในขันห้าเป็นสักกายทิตติมีจิกิจฉาความสงสัยในคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าจริงหรือไม่จริงพิสูจน์ได้หรือพิสูจน์ไม่ได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีจริงหรือไม่แล้วก็าาศีลพัตตปรมาคือการประพฤติบำเพ็ญพลดในในสิ่งที่ไม่ได้เกิดประโยชน์ไม่ได้ดับความทุกข์ใจ พจต่างๆเช่นไปบูชาลาหุนไปจุดธูปแปดดอกสิบดอกไปเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลไปทำอะไรจิ ป, ปาถะนีเรียก่าศีลรัปธะปรารมาคือการกระทาที่ไม่ได้ไปแก้ปัญหาของใจคือความทุกข์คนที่ปฏิบัติธรรมแล้วมีดวงตาเห็นธรรมเห็นอริยสัจสีก็จะรู้ว่าปัญหาอยู่ที่ปัญหาความอยาก ถ้าละความอยากล้วความทุกข์ใจต่างๆก็จะหายไปอันนี้ก็จะต้องเป็นสิ่งที่ต้องรู้แต่ก็ให้รู้เฉยๆแต่มันยังไม่ได้เป็นความจริงความจริงของสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดในขณะที่เราปฏิบัติเดี๋ยวเราก็จะรู้ว่า อ, อ๋อเรามีสักกายทิฏฐิอย่างนี้เองเนาะเรายังคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราอยู่เราจึงทุกข์กับมัน พอเราเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราเร า, เราปล่อยวางมันได้เราก็เลยไม่ทุกข์กับมันเอย่ามันจะเห็นตรงนั้นอย่างนั้นปัญหาใหญ่ของผู้ปฏิบัติการศึกษาครับผู้ผู้ศึกษานะครับก็คือการก็คือปัญญาในการพิจารณาว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิดสิ่งไหนควรเชื่อไม่ควรเชื่อกับอาจาคือปัญหาใหญ่ที่สุดครับอาจารย์อ๋อมันจะพิสูจน์ได้จากการปฏิบัติ สิ่งไหนที่มันทำให้เราทุกข์ก็สิ่งนั้นก็ไม่ถูกสิ่งไหนที่ดับความทุกข์ได้สิ่งนั้นก็ถูกเราจะดูตรงนั้นเป็นหลักยังนั้นก็ให้ลองมันถ้าอ่านหลายแบบก็ให้ลองปฏิบัติ ต, ตามแนวทุกแบบไปเลยสิ่งไหนที่มันทำให้เราทุกข์ก็ตัดทิ้งไปทีละอย่างทีละอย่างแนวที่เขาสอนนั้นดับความทุกข์ได้หรือเปล่าถ้าดับได้ก็ใช้ได้ไหนที่ทำให้โคงสร้างก็ให้ตัดทิ้งให้หมด คำถามจากทาง YouTube นะครับจากคุณธนากจนะครับข้อที่หนึ่งกับผมนั่งสมาธิแล้วได้สักพักจิตรู้สึกวูบวูบลงลึกๆเป็นเรื่องปกติใช่หรือไม่อใช่เวลาจิตสงบมันก็จะวูบลงไปแล้วก็จะนิ่งจะสบายขอให้ดูตัวคำว่าสบายไว้ถ้าสงบแล้วยังไม่สบายก็ยังไม่ใช่ยังเป็นถือว่าเป็นสงบเทียมอยู่ ถ้าสงบแล้วโอ้ยสุขเนาะมีความสุขเหลือเกินอันนี้เรียกว่าสุขแท้สมบแท้ข้อที่2และเมื่อจิตกําลังจะนิ่งๆกับมีน้ําลายที่ปากจําเป็นต้องกืนน้าลายลงคอทําให้จิตที่กําลังจะนิ่งๆกับต้องกังวลอยู่กับน้ําลายะจะมีวิธีแก้ไขเรื่องน้ําลายหรือไม่ครับอ๋ อ, อก็แสดงว่ายังไม่นิ่งจริงถ้านิ่งจริงแล้วเรื่องน้ําลายจะไม่มีปัญหาอะไร แสดงว่ายังไม่เข้าไม่ถึงยังติดอยู่ที่น้ำลายอยู่ก็อย่าไปสนใจมันถ้าใช้พูดโทก็พมันจะไหลก็ปล่อยมันไหลไปไม่ต้องไปยุ่งกับมันอันยิงมันไม่ไหลละพอเราไปคิดถึงมันมันก็เลยไปวิตกขึ้นมากลัวมันจะไหลยิ่งกลัวมันยิ่งไหลใหญ่เลยข้อที่สเมื่อนั่งสมาธิลงลึกได้สักระดับหนึ่งลมหายใจละเอียดขึ้นแผ่วเบา แต่เมื่อเผลอจิตมักจะลอยไปที่อื่นมีอุบายที่จะแก้ไขถไหมครับก็ดึงกลับมาที่ลมไงต้องดึงกลับมาอย่าปล่อยมันลอยไปดึงกลับมาใช้สติดึงกลับมาดึงให้มาอยู่กับลมหายใจต่อไปให้อยู่กับลมหายใจไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะสงบแล้วนิ่งแล้วมันก็ทิ้งลมหายใจไปเองพอมันนิ่งแล้วมันไม่ต้องมีอะไรยึดเหนี่ยวแล้วมันถึงจุดที่มันไม่ไปไหนละมันสงบมันสบายแล้ว คำถามฝากถามผ่านทางข้อความนะครับแต่คุณวีรพรนะครับการที่เราสามารถเบตรกตัวเองได้อย่างมีเพื่อนสนิทเสียใจจากการสูญเสียสามีซึ่งถ้าเป็นเมื่อก่อนจะเข้าไปปอกไปวุ่นวายช่วยงานศพเพื่อแสดงความรักความห่วงใยแต่พอเริ่มมาปฏิบัติมาฟังเทพหลวงพ่อและหลวงพ่อเคยสอนว่าอย่ายุ่งเรื่องคนอื่นถ้าไม่จาเป็นแล้วเหตุการณ์นี้ก็มีเสียงเตือนว่า จะเข้าไปหาเพื่อนตอนนี้ยังไม่เหมาะเพราะเรายังมีญาติญาติห้อมร้อมเพราะเขายังมีญาติญาติห้อมร้อมและถ้าเมื่อไหร่เขามาขอความช่วยเหลือหรือมาปรับทุกข์จึงจะเข้าไปปอบที่เป็นแบบนี้ถือว่าการมีสติเฝ้าระวังใจระวังความคิดใช่ไหมครับก็เคการเห็นคุณเห็นโทษของการกระทําของเราไงว่า การที่เราไปเกี่ยวข้องกับผู้อืนี้มันมีผลกระทบทางลบกับจิตใจของเรามากกว่าทางบวกการที่เราไม่ไปเกี่ยวข้องกับเครเลยนี่เป็นไปผลผลกระทบในทางบวกกับจิตใจของเรางนั้นถ้าเราปฏิบัตินี้เราต้องเลือกว่าเราต้องการผลบวกทางจิตใจหรือว่าเราต้องการผลลบแต่ได้ผลบวกในทางเกี่ยวข้องกับคนอื่น มันต้องต้องรู้จักแยกแยะว่าถ้าเรายังเกี่ยวข้องกับคนอื่นคอยดูแลเขาคอยช่วยเหลือเขาคอยทำให้เขาสบายใจมันก็จะมีผลกระทบในทางลบ ก, กับใจของเราเพราะใจเราจะไม่สงบใจเราจะไม่มีเวลามาทำความสงบถ้าเราต้องการผลบวกทางจิตใจเราก็ต้องตัดทุกสิ่งทุกอย่างไปถือว่าเราไม่ถือว่าเราตายจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยเป็นวิธีง่ายที่สุดเลย คนตายแล้วไม่เดือดร้อนใครจะชมใครจะดา่าเขาเขาไม่รับรู้แล้วใครจะเป็นใครจะตายมีไปงานศพเขาไม่ไปนี่ไม่ไม่สําคัญแล้วคิดอย่างนี้แล้วสบายจะจะได้ตัดความเกี่ยวข้องผูกพันกับสิ่งต่างๆได้อย่างร้อยเปอร์ซ็นต์ก็จะไม่สะทกสะทานต่อคําชมคําด่าของใครใครอยากจะด่าก็ด่าไปเข้าใจที่เขาด่าก็เพราะเราไม่ทําตามที่เขาอยากให้เราทำเขาก็เลยด่าเราท่านเองใช่ไหม งานศพมันทําห้ไม่ไปว่าแสดงว่ามันอย่างงุ่นอย่างนี้ก็กูเนี่ยวะก็ด่าไปกูมีเหตุผลของกูไม่ไปเนะี่ยกูจะมาทําใจให้สงบแต่ไม่ถ้าไปงานของคุณแล้วมันวุ่นอนะ่ะไปทําไมเราก็ไม่ไปคนที่ปฏิบัติต้องรู้เป้าหมายของการปฏิบตัติคือความสงบของใจและอะไรที่จะมาทําให้ใจไม่สงบนี้ต้องตัดทิ้งไปทันทีไปงั้นเราไม่มีวันที่จะได้ความสงบ เพามันจะมีเรื่องเวลามาคอยเึ่งให้เราไปอยู่เรื่อยๆไม่เรื่องคนนั้นก็เรื่องคนนี้ไม่เรื่องคนนั้นก็เรื่องนี้มันมีเรื่องมาอยู่เรื่อยๆถ้าเราต้องการความสงบต้องการอยู่พ้นจากความทุกข์เราต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไปคิดว่าเราตายจากเข้าไปก็แล้วกันตายทางจิตใจแล้วตายใจเราตายจากเข้าไปแล้วถึงแม้ร่างกายจะอยู่ก็ร่างกายก็เหมือนซากศพดีๆนี่ให้คิดอย่างนี้ แล้วจะมาช่วยเขาที่หลังดีกว่าเหมือนพระพุทธเจ้าเวลาที่ไปปฏิบัติที่ท่านทิ้งทุกอย่างไม่ติดต่อกับในวังเลยหกปีหลังจากตัดสรล้แล้วก็กลับไปสอนเขาแล้วสิไปช่วยเขาแล้วสิสอนเขาพอสอนธรรมะเขาฟังเขาก็ติดใจขอบวชตามกันบวชตามก็ปฏิบัติแล้วก็หลุดพ้นตามกันช่วยแบบนี้ดีกว่าช่วยแบบเป็นกอบเป็นกรรมด้วยความรู้สึกเขาหน่อยไหมเขาดีใจไหะ ไม่ต้องไปางานพวกเรานี้ไปนั่งพุตโธไปภาวนาทําใจให้สงบทําใจให้หลุดพ้นจากความทุกข์ดีกว่าพอหลุดพ้นแล้วคําพูดของเราจะมีอํานาจมากจะมีประโยชน์มากใครได้ยินได้ฟังคําพูดของผู้ที่หลุดพ้นแล้วนี้จะสามารถนําออกไปใช้ประโยชน์ได้ทําให้เขาได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้พบกับความสุขอย่างแท้จริงคําถามจากคุณประชุมชยัย หากเรามีอาการว่าความคิดเราว่างๆแบบโล่งๆเปรียบเสมือนความคิดไม่ค่อยมีพอความคิดเกิดเราก็รู้ทันความคิดนั้นก็ดับไปอยู่แบบนิ่งๆไม่คิดอะไรอย่างนี้เราควรปฏิบัติอย่างไรต่อครับก็ลองนั่งหลับตาให้มันนิ่งกว่านี้เลให้มันรวมลงไปเลยนั่งหลับตาแล้วก็ดูลมหายใจเข้าออกไปเรื่อยๆ คำถามจากคุณจูนข้อที่หนึ่งขณะที่ใจฟุง้งหงุดหงิดไม่ชอบใจไม่พอใจอยู่จะสามารถพิจารณาการเกิดแก่เจ็บตายได้หรือไม่คะก็ก็ลองดูสิจะได้หรือไม่มันก็อยู่ที่เราแต่การพิจารณาความเกิดแก่เจ็บตายนี่ส่วนใหญ่ต้องพิจารณาในขณะที่ใจเราไม่มีอารมณ์ถ้ามีอารมณ์แล้วมันไม่อยากจะคิดคิดไม่ได้หรอก ข้อที่สองการเห็นความคิดขึ้นมาเกิดดับเองแต่ใจตัวหนึ่งมองดูเฉยเฉยใช่อัปปนาสมาธิไหมคะ อ, อ๋อไม่ใช่หรอกถ้าอัปปนาสมาธิต้องความคิดหายไปหมดเลยเหลือแต่ตัวมองตัวรู้ตัวเดียวถ้ายังมีความคิดอยู่นี่แสดงว่ายังไม่สงบยังไม่เป็นสมาธิคำถามจากคุณสุขเวลานั่งสมาธิที่พระอาจารย์บอกว่าให้พุโทโธไป มีตัวรู้ตัวคิดเราจะแยกอย่างไรคะเออไม่ต้องแยกให้อยู่กับพุโทโธแล้วเดี๋ยวมันจะแยกให้เราเองอยู่กับพุโทโธไปเรื่อยๆเดี๋ยวตัวคิดก็จะสงบแล้วก็เหลือจะเหลือแต่ตัวรู้เองคำ ถ, ถามจากคุณแม็กถ้าเราเข้าใจผิดตามผู้เลี้ยงเหล้าเบียร์ข้าปลาอาหารที่เลี้ยงเราเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เราต้องตอบแทนด้วยการทำลายคนที่เขาเกลียดด้วยนี่เป็นการตอบแทนบุญคุณหรือเปล่าครับควรแก้ไขอ ย, อย่างไร ออการไปทำร้ายผู้อื่นนี้ไม่ใช่เป็นวิธีตอบแทนบุญคุณที่ถูกต้องการตอบแทนบุญคุณที่ถูกต้องต้องไปทำประโยชน์คำ ถ, ถามจากคุณเนียมาเรียนต่อในสถานที่คนวุ่นวายต้องปะทะกับอารมณ์โกรธมากมายทำให้จิตใจมีความเครียดเนื่องจากสติไม่พอเพียง ผมควรเรียนที่นี่ต่อไปใหม่ครับเมื่อเทียบกับการทำงานที่เดิมที่คนวุ่นวายน้อยกว่าสบายใจกว่าแต่ความเจริญก้าวหน้าในทางโลกน้อยกว่าบางคนก็แนะนำว่าให้ต่อสู้เป็นการสั่งสมบารมีเราที่จะไม่โกรธเขาแต่ผมกลับสังเกตดูถ้าสติอ่อนและสถานที่ไม่เอื้อต่อการเจริญสติจิตมีแต่ความเครียดครับเราก็ต้องเลือกเอาว่าเราจะต้องการอะไรแต่เราต้องการ ความเจริญทา ง, งการงานหรือทางโลกเราก็ต้องเรียนต่อเรียนเพิ่มแต่ถ้าเราต้องการความเจริญทางใจคือให้ใจเราสงบสบายไม่เครียดไม่ทุกข์เราก็ไปหาที่สงบอยู่นี่จะดีกว่าคําถามจากคุณสุธิติพงศ์หากมีความทุกข์จากความที่อยากบวชแต่ไม่ได้บวช เพราะยังมีภาระเลี้ยงภรรยาและลูกที่ยังเล็กอยู่แต่กลัวว่าตัวเองจะอายุมากกว่าที่จะบวชแล้วควรวางใจอย่างไรดีครับก็ต้องแขวนความอยากไว้ชั่วคราวก่อนอตอนนี้ยังไม่สามารถทําตามความอยากได้ถ้าอยากไปก็จะทุกไปเปล่ปาๆไว้ ร, เรอเวลากาสแล้วค่อยเอาความอยากบวชออกมาตอนนี้อยากแล้วไม่ได้บวชก็อย่าไปอย่าไปอยากอยากแล้วก็จะทุกไปเปล่ปา ไวรอเวลาบวชได้แล้วค่อยอยากดีกว่ากลัวเวลาบวชได้แล้วไม่บวชแต่สิตอนนี้ก็อ้างลูกอ้างเมียเกิดลูกเมียตายไปเดี๋ยวก็ไปหาเมียใหม่บวชแล้วเหรอมี อ, อีกครับาถามจาก <c oughs> คุณปลาโมดนั่งสมาธิอยู่ๆแล้วรู้ลมหายใจเหมือนมันหายไปสัมผัสไม่ได้ครับ ด้วยความกลัวจึงรีบออกจากสมาธิทันทีแต่กแก้ไขปัญหานี้อย่างไรดีครับตอบไปอย่าไปออกให้รู้เฉยๆว่าไม่มีลมให้รู้อยู่กับความว่างไปให้รู้เฉยๆอย่าให้มีความคิดถ้าคิดก็หยุดความคิดเสียให้อยู่กับความว่างไปเรื่อยๆคำถามจากคุณ A คิดนะครับพระอาราหาันเวลาจิต ด, ดับเข้าสู่นิพพานจะมีช่องทางออกที่ที่เดียวหรือเปล่าครับ พอดีมีสถานธรรมแห่งหนึ่งที่มาจากต่างประเทศอบอกว่าพระพุทธเจ้าพระอรหันต์จะออกจากจุดที่เขาบอกมากับศูนนิพพานที่มีพระแม่องค์ธรรมรออยู่จริงหรือไม่อ๋อไม่จริงหรอกจิตพระอรหันต์จิตพรทเจ้าไม่ดับหรอกที่ดับก็คือกิเลสตัณหาที่ถึงนิพพานเพราะว่ า, วากิเลสตัณหามันดับโลภโกรธหลงหายไปตัณหาความอยากต่างๆหายไป แต่จิตของพระพุทธเจ้าไม่ได้ดับไปกับกิเลสตัณหาจิตก็ยังเป็นเหมือนปกติอยู่ตอนที่พระเจ้าตัดสู้ใต้โคนต้นโพนั่นน่ะกิเลสดับแต่จิตของพระุทธเจ้าก็ยังอยู่กับร่างกายก็ใช้จิตนี่มาสั่งสอนพวกเราต่อไปจนกว่าไม่มีร่างกายแล้วจิตก็อยู่ตามลำพังท่านั้นเองจิตไม่ได้ดับจิตไม่ได้หายไปไหนจิตอยู่ที่เดิมจิตอยู่ในโลกทิพจิตเป็นกายทิพ จิตไม่ได้อยู่ที่ร่างกายเพียงแต่มีการเชื่อมต่อกันเหมือนกับโทรศัพท์มือถือติดต่อกันพอไม่มีสัญญาณก็ไม่ได้ติดต่อกันหรือพอไม่มีโทรศัพท์มือถือก็ติดต่อกันไม่ได้ร่างกายนี้เป็นเหมือนโทรศัพท์มือถือส่วนใจนี้เป็นเหมือนผู้ใช้ใช้โทรศัพท์มือถือพอไม่มีโทรศัพท์มือถือก็ไม่สามารถที่จะไปติดต่อกับมือถือของผู้อื่นได้ พอไม่มีร่างกายก็ไม่สามารถมาติดต่อกับพวกเราได้แล้วต้องใช้ร่างกายแต่การมีร่างกายมันเป็นทุกข์ท่านก็เลยไม่มีพอร่างกายของท่านจบท่านก็จบแต่ ว, ว่าหมดหน้าที่ของท่านแล้วก็ต้องอาศัยคำคำสอนที่ท่านสอนไว้เป็นอาจารย์แทนต่อไปอาศัยพระ อ, อาหันตส า, าวุกมาทาหน้าที่แทนต่อไปถ้าฐานพระพุทธเจ้าไม่ดับ จิตของท่านกับจิตของเราเหมือนกันต่างกันตรงที่ว่าของท่านไม่มีกิเลสของเรายังมีกิเลสอยู่การมีกิเลสของเราจึงทาให้เรามามีร่างกายกันการไม่มีกิเลสก็เลยทำให้ไม่มีร่างกายนี่คือความจริงของพระนิพพานเป็นอย่างนี้ไม่ใช่อย่างที่เขาพูดเข้าว่ากันเรายังไม่เข้าใจแต่ฟังแล้วมันมันทำแม่งทำแม่งไงก็ไม่รู้คือพูดไปตามจินตนาการ อ่ตอไปคําถามจากคุณสุรชัยตอนนี้เข้าพรรษาหลังเลิกงานสวดมนต์ทุกวันแต่จิตใจยังฟุ้งซ่านอยู่มากครับจิตไม่สงบมากแต่พอสวดบทกับปัตนาสูตรจิตก็เริ่มสงบบ้างผมจะทํำยังไงครับ <c oughs> ตอนสวดจะทําให้จิตใจให้นิ่งครับก็สวดให้นานๆสวดเป็นจน ก, กว่ามันจะนิ่ ง, งถ้ามันยังไม่นิ่งก็อย่าหยุดสวดสวดไปแล้วเดี๋ยวมันก็นิ่งเหมือนกินข้าว ถ้ากินไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็อิ่มเลยนะ่ะถ้ากินคำสองคาแล้วมันหยุดกินมันก็ไม่อิ่มอะไมันสวดน้อยไปที่มันไม่นิ่งเพราะมันสวดน้อยไปหรือสวดแล้วไม่ได้อยู่กับการสวดสวดแล้วก็ไปคิดถึงเรื่องงานเรื่องการต่อถ้าสวดไปคิดไปด้วยก็ไม่มีวันที่จะสงบได้เวลาสวดก็ต้องจดจ่ออยู่กับเรื่องของการสวดเพียงอย่างเดียวอย่าไปคิดถึงเรื่องอื่นด้วยเพราะมันแวบไปได้นะ แลาสวดมน์ไปแล้วเดี๋ยวก็ว่าไปคิดถึงงานได้คิดถึงคนนั้นคนนี้ได้ต้องดึงมันกลับมาคำถามจากคุณเกตเวลาเราออกจากสมาธิกวาดลิ้นไปมารู้สึกเหมือนเราหลุดออกจากลูกโป่งทุกครั้งเป็นเพราะอะไรคะก็เป็นความรู้สึกแท่นั้นเองไม่ต้องไปสนใจไ ม, ไม่สำคัญอะไรคำถามจากคุณบุญเลิศ ใจผมชอบคิดเรื่องในอดีตชอบเกิดตอนใกล้ตื่นนอนทําให้นอนไม่หลับจะแก้ไขอย่างไรครับบริกรรมพุทโธก็ไม่หายถ้าไม่หลับก็ลุกขึ้นมาเดินจงกรมลุกขึ้นมานั่งสมาธิแทนก็นแล้วกันเดี๋ยวก็หลับเองพอจะนั่งสมาธิป้ามันเริ่มหาวเลย <c oughs> คําถามจากคุณพินแคนนะครับ คนไข้มาขอคำปรึกษาว่าอยากขอเลิกกับสามีเนื่องจากเบืร์หน่ายที่ต้องมาดูแลเหมือนเป็นกรรมลูกบอกว่ามันเป็นหน้าที่ที่เขาต้องรับผิดชอบจนกว่าจะตายหรือแยกจากกาันไปข้างหนึ่งไม่ทราบว่าถูกต้องหรือไม่อ่มันก็คุยกันได้ไงมันการแต่งงานก็เหมือนกับการทำสัญญาสัญญาว่าจะร่วมกิจกรรมกันถ้าเราอยากจะแยกก็คุยกับอ่ คูสัญญาว่าขอเปลี่ยนสัญญาได้ไหมขอยุติสัญญาที่เราทําได้ไหมเขาถึงมีการหย่ากันได้ไงแต่ว่าหยา่าแล้วมันอย่าให้มันมีเรื่องก็แล้วกันอย่าจากอย่า ก, กันด้วยด้วยความ อ, าอะไรด้วยความเป็นมิตร เ, เห็นว่าอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็อย่าฝืนอยู่เลยต่างคนต่างไปดีกว่าที่มาอยู่ร่วมกันก็เพราะคิดว่าจะอยู่แล้วจะมีความสุขต่อกันและกันแต่กลายเป็นความทุกข์ต่อกันและกันก็ ก็มาเจราจากันขอแก้สัญญาถ้าเขาเห็นด้วยก็ไม่มีปัญหาอะไรคาถามจากคุณเบอร์นัวหากเราอยู่ในที่ที่ทําให้เราไม่สงบใจไม่สบายใจแก่เราเราควรเดินหนีออกมาหาที่สัพพายะแก่ตนหรือเราควรอยู่ต่อสู้กับใจเราที่นั่นกับสิ่งที่ทําให้เราไม่สบายใจหากแต่กลัวว่าการอยู่ต่อสู้ไปจะเกิดระเบิดตัวอารมณ์นี้ขึ้นมาครับ ถ้าเราอยู่ลเลาวระเบื่อก็ไปดีกว่าแต่ถ้าอยู่แล้วเราทำใจให้สงบได้ก็อยู่ดีกว่าเพราะว่ามันเป็นเหมือนทำข้อสอบถ้าเราทำได้แล้วต่อไปเราจะอยู่ที่ไหนล้วก็อยู่ได้ไม่ต้องหนีไปอยู่ที่สงบแต่ถ้าเรายังไม่มีกำลังพอที่จะอยู่กับสถานที่วุ่นวายแล้วทำให้เราสงบได้เราก็ต้องหนีไปอยู่ที่ที่สงบก่อนไปทำใจให้สงบก่อน ต่อไปเรามีกําลังแล้วต่อไปเราอยู่ที่ไหนที่วุ่นวายเราทําใจให้สงบได้เราก็ไม่ต้องหนีไปไหนคําถามจากคุณแหม่มทําอย่างไรให้ให้มีสติระงับคําพูดแร ง, รงๆตรงๆได้คะพูดออกไปแล้วถึงได้รู้ว่าทําไมไม่คิดก่อนพูดคนฟังเขาจะเสียใจและไม่ชอบเราเลยที่พูดตรงๆและแรงเกินไปคะ่ะก็ต้องจเจริญพุโทโธอยู่บ่อยๆ พยายามอยู่กับพุโทโธไปเรื่อยๆอย่าไปคิดเรื่องราวต่างๆแล้วจะมีสติยับยั้งความคิดได้เวลาคิดอะไรก็จะได้คิดไว้ก่อนว่าควรจะพูดหรือไม่ควรจะพูดแต่ถ้าไม่มีสตินี้พอมันคิดปั๊บมันพูดไปเลยแต่ถ้ามีสติมันจะมีช่วงที่จะทำให้เราพิจารณาดูก่อนว่าควรพูดหรือไม่ควรพูดเ mm hmm. งนั้นพยายามมันจเจริญสติอยู่เรื่อยๆพุโทโธไปเรื่อยๆ คำถามจากคุณกุลงจินเวลานั่งสมาธิแล้วบริกรรมพุทโธสงบแล้วมีความคิดราคาจริตมารบกวนทําให้ดึงกันระหว่างพุทโธขอพระอาจารย์บอกวิธีพิจารณาสลัดราคาจริตครับเพราะบางครั้งก็หยุดนั่งสมาธิไปเลยก็ถ้าเราอยู่กับพุทโธไม่ได้เราหยิบไปดูอสุภะได้ไหมไปคิดถึง ส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายได้ไหมคิดถึงซากศพได้ไหมคิดถึงอาการ32คิดถึงโครงกระดูกได้ไหมคิดถึงตับไตไส้พุิได้หรือเปล่าถ้าคิดได้เราก็จะระงับราคาได้ถ้าคิดไม่ได้อยู่กับพุโทโธไม่ได้ก็ต้องยกทองทงขาวยอมแพ้ไปก่อนแล้วค่อยกลับมาสร้างกำลังสู้กับมันใหม่ เดี๋ยวสักสองคำถามนะใกล้เวลาจะหมดละคำถามจากคุณแอการบริจา่างกายตอนเสียชีวิตให้กับโรงพยาบาลมีอันนี้ส่งอย่างไรบ้างครับแ ล, และกับความเชื่อที่ว่าถ้าเราบริจาคดวงตาตอนตายเกิดมาชาติหน้าร่างกายจะไม่พบสาสิสองจริงหรือเท็จครับ อ, อ่ไม่จริงรอะเรื่องการบริจาคอวัยวะนี้ไม่เกี่ยวกับพบหน้าชาติหน้านยส่วนประโยชน์ที่ได้นี้ถ้าให้ตอนตายนี่ไม่ได้บุญเลยนะ คือว่ามันไม่ได้เป็นของเราแล้วถ้าจะให้อยากจะได้บุญต้องให้ตอนที่เรายัางไม่ตายเช่นสละดวงตาไปดวงหนึ่งสละตายไปอันหนึ่ ง, งแล้วเรารู้ว่าเราได้สละจริงๆอันนีเ้เราก็จะได้บุญเพราะเราเรารับรู้และเราเป็นคนสั่งให้ทําแต่เวลาที่เราตายไปแล้วนี่เราไม่รู้ว่าเขาเอาไปทําอะไรละ ก็เหมือนกับว่าเราไม่ได้มีการการกระทำเราไม่ได้ให้แล้วตอนนั้นเราต้องให้ตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่ตอนที่ยังเป็นของเราอยู่ตอนที่ร่างกายตายไปแล้วนี่ถือว่าไม่ได้เป็นของเราแล้วเหมือนกับเงินทองอ่ะให้ตอนที่เราอยู่กับให้ตอนที่เราตายนี่ไม่เหมือนกันให้ตอนที่เราอยู่เราจะรู้สึกมีความสุขใจอิ่มใจให้ตอนที่เราตายไปแล้วเราไม่รู้ว่า ใ ห, ให้หรือไม่ให้ใครเอาไปทําอะไรเราก็ไม่รู้แล้วยังถ้าอยากจะได้บุญคือความสุขใจอิ่มใจต้องให้ตอนที่เรามีชีวิตยอยู่แต่ประโยชน์ที่ให้ไปนี่มันได้คนเงินทองที่เราตายไปแล้วลูกหลานก็อาไปใช้ไปทําอะไรได้มันก็มีประโยชน์ร่างกายของเราถ้าให้โรงพยาบาลไปเขาก็เอาไปทําประโยชน์ได้อวัยวะต่างๆที่ใช้ได้เขาก็เอาไปช่วยคนที่ต้องการอวัยวะไปถ่าย ไ่เปลี่ยนอวัยวะเขาก็ต่อชีวิตของเขาได้อันนี้ก็มีประโยชน์สำหรับผู้รับแต่สำหรับผู้ให้นี้ผู้ให้ไม่ได้อะไรเลยถ้าจะได้ประโยชน์ต้องให้ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่คำถามข้อสุ ด, สดท้ายจากคุณเนียค่ะผมคิดว่าจะเก็บเงินได้ซักก้อนหนึ่งแล้วไปบวชจะได้สบายในตอนแก่อันนี้เป็นความคิดผิดไหมครับ และเงินจะเป็นอุปสรรคต่อการเดินเพื่อมรักผลนิพพานใหมครับอ๋อผิดผิดหลักธทมการบวชนี้ต้องให้สละเงินทองไปให้หมดเพราะเงินทองนี้เป็นภายต่อการไปพานิพานเพราะเงินทองนี้จะทำให้เป็นเครื่องมือของกิเลสไม่ใช่เป็นเครื่องมือของธรรมถ้ามีเงินทองเดี๋ยวก็จะเอาเงินทองไปซื้อตามกิเลสตามความอยากต่างๆฉั้นคนบวชนี้ท่านให้สละหมดไม่ให้มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทอง ให้ไปตัวเปล่ากล่าไปกับบริขาร8ดอัฐบริขารคือไปกับบาทหนึ่งใบผ้าสามผืน เ, ออเข็มขัดหนึ่งอันใบมีดโกนออที่กรองน้ำกับเข็มกับไดออ้นี่คือสมบัติของนักบวชมีเท่านี้พอไม่อดตายก็ออมีผู้ที่ยินดีสนับสนุนญาติโยมนี้เห็นพระก็อยากจะทำบุญด้วยนะเห็นพระไม่ต้องมีเงินทองติดตัวไป การทำที่ให้คนที่ก็ต้องใช้คือลูกหลานดีกว่าญาติพี่น้องดีกว่าให้เขาไปไม่ต้องโกหกตายแต่ถ้าเป็นผู้หญิงนี่อาจจะต้องมีบ้างเพราะว่าผู้หญิงนี่ญาติโยมยังไม่สนับสนุนเต็มที่เหมือนเหมือนพระก็อาจจะต้องมีไว้ซื้อของจำเป็นแต่อย่าไปซื้อของตามความอยากก็แล้วกันถ้าไม่มีอาหารซื้ออาหารมากินได้ถ้าผ้าขาดผ้าเก่าแล้วต้องเปลี่ยนซื้อมาได้ ซื้อยาไปจ่ายค่าที่พักค่าน้ําค่าไฟอะไรอย่างเงี้ยใช้อย่างนี้ได้อยู่แต่อย่าเอาเงินไปเที่ยวที่นู่นที่นี่ไปทําบุญทําทานอะไรถ้าเป็นนักปฏิบัติแล้วไม่ต้องไปทําบุญละหน้าที่ของการทําบุญนี้เป็นหน้าที่ของผู้คลองเรือนของญาติโยมที่มีเงิ น, ม, งนมีทองผู้ปฏิบัตินี้ถือว่าไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีรายได้ยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปทําบุญทําทาน เอาเวลามาปฏิบัติธรรมดีกว่าเพราะจะได้บุญมากกว่าเอาแล้วนะคิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิ จ, จารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ